นะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสพระองค์นั้นผู้ทรงมีพระเมตตามีกรุณาหาประมาณไม่ได้ ที่ทรงเสียสละสังสมพระบารมีเพื่อประกาศธรรมนำเวนยสัตว์ออกจากวัตทุกขอนอบน้อมพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมรรคสี่ผลสนิพพานหนึ่งปริยติธรรมหนึ่งขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์อันประกอบด้วยพระอริยบุคคล8จํจำพวก สัมพุทเทอทวีสัญจาทวัตสัญจาสหสเกปันจัสตสหสานีนมามีศิลสาหังเตสังธรรมันจะสังขัญจะ อาทะเลนะนามิหังนมกาลานุภาเวนะอันตวัสเพอุปาทเวอเนกาอันตลายาปิวินาสันตุอาเสสโตขอนอบน้อม พระพุทธเจ้าทั้งหลาย5้าแสนหนึ่งหมพระองค์ด้วยเสียงกล้าวขอนอบน้อมพระธรรมและพระอริยสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นโดยเคารพด้วยอานุภาพแห่งการนอบน้อมนี้ขออุปัตวะและอันตรายทั้งปวงจงลงะนับไปโดยไม่มีส่วนเหลือขอถวายความเคารพท่านพระอาจารย์สมทบประลักะโม เจริญพรญาติโยมสาธุชนวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเข้าสู่วันที่สองแล้วที่พวกเราจะได้มาประพฤติปฏิบัติเรียกว่าหลักสูตรสัมมาปฏิบัติก็จะได้นำเอาสาระคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประกาศไว้ 45พรรษาอันนั้นคือธรรมะคำสั่งสอนที่ได้นำมาประกาศแลวหรือขดหรือสัตว์ขนสัตว์ออกจากวัตจักขทุกไปจำนวน45พรรษาแต่ก่อนหน้านั้นระยะเวลายาวนานที่พระพุทธเจ้าได้บาเพ็ญได้สร้างสมบรลมีได้เสียสละได้ฝึกหดัขดขัดเกลาาอดทนเสียทสละ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่ให้นะแล้วพัฒนาตัวเองอดทนทุกอย่างเสียสละทุกอย่างจนได้มาเป็นพระพุทธเจ้านั้นใช้ระยะเวลายาวนานมากกว่าจะได้มาประกาศพระศาสนา45พรรษา45ปีเนี่ยดังนั้นเบื้องต้นก็เรียกว่า บุพพาคะปฏิปทาการปฏิบัติเบื้องต้นกว่าเราจะไปถึงการปฏิบัติหรือกว่าเราจะสำเร็จเนี่ยมันมีเบื้องต้นของการปฏิบัติดังนั้นวันนี้อาตมาก็มากับสัมมณี น, นะอาตมาพระมหามนารัตโนนะส่วนสัมมณนนะีสัมมณีนนแนะนําตัวหน่อยขอโอกาสพระเทลานุนเถระเจริญพรญาติโยมอาตมาชื่อสัมมณเี เ, เอก วันนี้เราทั้งสองก็จะม า, านำข้อมูลเกี่ยวกับเบื้องต้นเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ญาติโยมได้นำพื้นฐานหรือปูพื้นฐานให้แน่นให้แน่นหนาเพื่อจะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอานาปานสติซึ่งถ้าไม่มีพื้นฐานที่หนาแน่น ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องทานที่หนาแน่นที่เข้าใจที่พัฒนาไปจนสู่ศีลแล้วศีลก็ไม่หนาแน่นศีลก็ไม่มั่นคงดังนั้นเมื่อศีลไม่มั่นคงจะเจริญสมาธิไม่ใช่ฐานะและไม่ต้องพูดถึงวิปัสสนาซึ่งเป็นปัญญาดังนั้นถ้าเราไม่ ปูพื้นฐานให้หนาแน่นเมื่อเราไปเจริญสมาธิหรืออาณาปานสติจะไม่เห็นนะไม่เห็นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นหมายถึงนิมิตก็ตามหรือแม้แต่ปฐมฌานทุติยฌานตัิยฌานเจตยฌานเนี่ยไม่มีโอกาสได้เจอนะเพราะสมาธิ ขั้นอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธินั่นแหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปเจริญวิปัสนาได้เมื่อเจริญวิปัสนาแล้วจะไม่มีกิเลสครอบงำนะแต่เราถ้าเกิดเราไปรีบเจริญวิปัสนาเลยหรือแม้แต่รีบไปเจริญสมาธิเลยโดยที่ศีลหรือทานยังไม่เข้าใจยังไม่หนาแน่นเนี่ยขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ไม่เห็นหรือไม่ ทำไม่สามารถที่จะกร ะ, กระทำที่สุดทุกได้ไม่สามารถกำจัดกิเลสได้เพราะความไม่เข้าใจนั่นเองโมหะหรือกิเลสต่างๆก็จะครอบงำหรือปิดบงังเรานั่นแหละไปไปมาเราที่เรากำลังทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อการปฏิบัติเพื่อออกจากวัตทุกข์ไ ป, ไปมาก็เลยเป็นธาตของกิเลสไปดังนั้น จึงเน้นหนักมากในเรื่องของการทําเบื้องต้นก่อนถ้าเบื้องต้นชัดเจนแล้วเข้าใจแล้วก็สามารถที่เจริญสมาธิได้ไม่ยากนะมีพระสูตรหนึ่งนะพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าการจะบรรลุเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากการจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่เรื่องยากเลยน ะ, ะมีภิกษุท่านหนึ่ง ท, ท่านบวชมาหกสิปีนะ แต่ไม่เคยจงใจล่วงละเมิดศีลเลยท่านบอกว่ามีพระไปสั่ถามท่านว่าท่านท่านจะบรรลุมรรคผลเนี่ยง่ายง่ายหรือยากท่านบอกว่าง่ายนิดเดียวการจะบรรลุมรรคผลแต่ว่าการที่เรารักษาศีลตั้งแต่บวชมาจนถึงหกสิบปันศาเนี่ยไม่เคยจงใจที่จะล่วงละเมิดศีลเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ยากแสนยากกว่า ใช่ไหมโยมการที่ศีลจะบริบูรณ์ได้นั้นต้องพัฒนามาจากทานนะโยมนะถ้าเราพัฒนาทานไม่บริบูรณ์ไม่ใช่ฐานะที่ศีลจะบริบูรณ์ได้นะอย่างเราเคยสวดนะทานปาลมีสัมปันโนมันต้องเป็นตามขั้นตามลําดับของมันนะโยมนะทานะอุป ป, ปาลมีสัมปันโน ทานปาัลลัมธาบาลมีสัมปนโนแล้วจึงมาศีลบรารมีศีลอุปบาลมีศีลปรมัรมธบาลมีดังนั้นทานไม่บริบูรณ์ก็ไม่เป็นเหตุให้ศีลบริบูรณ์ได้วันนี้เราทั้งสองก็เลยจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องจะปูพื้นฐานให้เรื่องทานบริบูรณ์เจาะลึกลงไปว่าทานมีรายละเอียดอย่างไรบ้างจึงจะถามสัมมเนนว่าเอ๊ะคำว่าทานนี่มันคืออะไร สมเนรช่วยตอบให้ผมได้กระจ่างหน่อยก็ถามผมเลยล่ะครับจริงๆก็พวกเราหลายๆคนก็จะพอรู้คุ้นเคยกับชีวิตของคนไทยแล้วจะเกี่ยวกับเรื่องทานแต่ว่าถ้าเอาตามแบบในคำสอนที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยก็เวลาพูดถึงทานก็จะพูดถึงอยู่สามอย่าง นะที่เขาชอบเรียกว่าทานถ้าเราเคยไปอ่านในพระสูตรนะก็มีเรียกว่าสมบัติสก็ได้เขตสมบัติก็คือผู้รับทานแล้วก็ทายารรมสมบัติก็คือตัววัตถุทานแล้วก็จิตสมบัติก็คือตัวเจตนาที่จะให้ทานนะเวลาพูดถึงทานนะใน ปริยัติเนี่ยเขาก็จะพูดถึงสามตัวนี้ก็คือสรุปอีกครั้งก็คือตัวผู้รับแล้วก็ตัววัตถุแล้วก็ตัวเจตนาเออเดี๋ยวขอถามนิดนึงตรงนี้มีใครที่มาตั้งแต่คอร์สที่แล้วมั่งคอร์สสำมะปฏิบัติเดี๋ยวช่้ยกมือให้ดูหน่อยจะได้รู้ว่ามีคนเก่าอยู่สักกี่คนมันจริงๆมันมีรางวัลให้ด้วยนะยกนิดนึง <laughs> <laughs> เออ ก็มีไม่ถึงไม่ถึงสิบคนนะไม่ถึงสิบคนนะก็คนเก่าก็ฟังแล้วก็สอบถามได้เหมือนกันนะจะถามเรื่องที่ตัวเองอยากจะรู้หรือว่าเรื่องที่เกินกว่าหลักสูตรก็ได้ก็อยากให้หลักสูตรนี้มันเป็นคล้ายๆแบบยิ้มแย้มอะแล้วก็แบบมันเป็นเวิร์กช็อปอะแบบว่าไม่ใช่แบบนั่งบรรยายอยู่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าเออคนที่เขามาฟังเขามีความคิดเห็นอะไรยังไงเพราะว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่วันที่4ี่วันที่4ี่วันที่5แล้วอ่ะคอยจะมาถามคําถามแล้วแบบมันจะถามไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ลองเปิดใจฟังดูแล้วก็ถามสอบถามกันแบบง่ายๆเหมือนเรามาคุยกันนะไม่ต้องแบบมาตั้งใจเอาความรู้มาฟังบรรยายอะไรเพราะว่าในชีวิตการงานของเราเนี่ยที่เราหยุดมาได้7วันเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเวลาที่มันดูลีเล็กหน่อยอ่ะแบบ ผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วก็แบบมาฟังแล้วก็ได้ความรู้ไปใช้ก็สรุปว่าถ้าถามว่าทานคืออะไรก็ตอบแล้วก็มีอยู่3อย่างนะัคือผู้รับแล้วก็ตัววัตถุแล้วก็ตัวเจตนาก็และถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการที่จะปฏิบัติให้ได้ในชีวิตจริงเพราะว่าเวลาเรามาเนี่ยคืออยากนี่ตัวอตาตมาเองแล้วกันนะอยากจะให้มีคอนเซปต์แบบนี้ว่า เราต้องการจะมาพ้นทุกข์หรือจะมาหาความสงบสุขที่มันแท้จริงเนี่ยแต่เราไม่ใช่แบบมานั่งปฏิบัติชุดขาวแล้วเรามาอยู่ที่เนี่เหมือนเรามาลืมๆอะไรแบบบางอย่างเจ็ดวันแล้วก็กลับไปวันเสาร์หรือวันจันทร์ปัญหาชีวิตประจำวันเรายังแก้ไขไม่ได้เหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวตรงนี้ขอส่ง เรื่องทานกลับให้ท่านมาหาแล้วกันนะครับก็ช่วยขยายความให้ญาติโยมฟังนิดนึงเรื่องของทานที่บอกว่าทานคืออะไรก็มีสามอย่างนั้นถ้าเรากล่าวถึงเรื่องเจตนาทานความจริงแล้ว <c oughs> เจตนาไม่ใช่เจตนาอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นเรื่องของทานนะจะมีนามธรรมตัวอื่นอีกอย่างเช่น เจตนาคือความตั้งใจนะโยนะความตั้งใจจัดแจงหรือตั้งใจที่จะทำสิ่งใดนั่นแหละตั้งใจที่จะให้นั่นแหละเจตนาบางทีมีศรัทธาด้วยมีศรัทธาเป็นประตาทานนะให้ด้วยศรัทธาก็มีให้ด้ว ย, มวยไม่โลภไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของนั้นนะให้ด้วยความไม่โกรธนะแล้วแต่ตัวไหนจะแรงตัวไหนจะเป็นประทานนะ ให้ด้วยปัญญานะให้รู้เหตุรู้ผลนะลักษณะของการให้มีเรื่องของนำมาทำมีห ล, หลายอย่างนะแต่พระพุทธเจ้าได้ยกเจตนามาเป็นประธานเท่านั้นแต่ความจริงแล้วมีตัวอื่นเป็นประธานได้อีกอย่างเช่นศรัทธาอย่างที่ว่านั่นแหละศรัทธาความไม่โรธความไม่โกรธมีปัญญาหรือแม้แต่ความให้ด้วยความไม่ระอายแก่ใจก็มี นะหรือแม้แต่กุศลทุกประเภทในขณะที่ให้นั้นกุศลทุกประเภทนะก็สามารถที่จะเป็นประธานนะอันนี้ลักษณะของนามธรรมหรือเจตนาส่วนทยธรรมหรือวัตถุจะเรียกหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอมิตรก็ได้อมิตรสถานทยธรรมหรือแม้แต่วัตถุทาน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งวัตถุกา ร, รมก็ยังได้สิ่งที่เราใช้สอยทุกอย่างเนี่ยเป็นวัตถุกรรมแม้แต่ลูกภรรยาสามีทรัพย์สมบัติการงานทั้งหมดเป็นวัตถุกรรมทั้งนั้นนะก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องยินดีส่วนผู้รับใช่ไหมผู้รับ ผ, ผู้รับก็มีหลายประเภทอันนี้คือลักษณะคร่าวๆเกี่ยวกับทาน มันไปเกิดในไหนเรื่องของทานเนี่ยไปเกิดในไหนไปเกิดในบุคคลเช่นไรนะบุคคลที่ให้ก่อนให้ก็มีนะตั้งใจก่อนให้บุญก็เกิดแล้วขณะให้หลังใหนะ้นี่บุญเกิดหมดทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องของทานทั้งนั้นเกี่ยวกับการบูชาโยมนำํนำน้ำแก้วหนึ่งบูชาพระพุทธเจ้า โยมนําน้ําไปให้พ่อให้แม่พี่น้องให้ลูกให้ภรรยาให้สามีเรื่องให้เพื่อนๆนะแต่การบูชานี้ส่วนใหญ่จะให้บุคคลที่เหนือกว่าเรานะให้พ่อให้แม่ให้พระสงฆ์ให้ครูบาอาจารย์ที่ว่าให้เพื่อบูชาคุณเนี่ยเกิดในบุคคลผู้บูชาก็ได้เรื่องของทานนะเกิดในบุคคลผู้ให้ส่วนบุญเคยให้ส่วนบุญไม่ยอมเช่น สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณที่เราอุทิศ ส, ส่วนบุญให้การอุทิศ ส, ส่วนบุญนั้นให้ทั้งคนเป็นก็ได้คนตายก็ได้คนเป็นให้อย่างไรเวลาที่เราทำบุญมาไปทอดพระป่าทอดกะถินที่นู่นที่นี่กลับมาไปไหนมาล่ะไปทอดกะถินมากกี่วัดสามร้รอยห้าสิบวัดโอ้โห เคยไปไม่โยมขนาดนั้นทอดกระถิน350่นสามร้อยห้าสิบวัดที่ภาคเหนือเขาจัดกันเขานำมารวมที่วัดเดียวนะนำบาทมาตั้งสามร้อยห้าสิบวัดแล้วก็มาทําบุญกันเคยไปไหมไม่เคยเลยนี่เรียกว่าพอกลับไปบ้านเขาก็ถามว่าไปไหนมาเราก็ไปทอดกรถินสามร้อยห้าสิบวัดโอ้ยสาธุยินดี เขาได้ส่วนบุญกับเราด้วยเราให้ส่วนบุญเขานี้คนคนคนเป็นหรือถ้าอยู่ไกลๆโทรศัพท์หากันบอกว่าเราไปทําบุญที่นู่นที่นี่มานี่ให้ส่วนบุญนะสําหรับผู้ร่วงรับไปแล้วเราก็มีการอุทิศใหนะ้มีบทตอนเช้ายาเทวตาสันติวิหารวาสินีบทตอนเย็นอิมินาบุญยากาเมนะนะหรือสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนี่เป็นการอุทิศส่วนบุญ เกิดกับบุคคลผู้ให้ส่วนบุญเจตนาเกิดกับบุคคลผู้อนุโมทนาส่วนบุญนี่เป็นเรื่องของทานนะไปไหนมาโอ้ยไปทําบุญมาแล้วโอ้ยสาธุคอยมีความสุขนะอนุโมทนาส่วนบุญเขาเราก็ได้บุญไปด้วยนี่ชื่อว่าทานนะเกิดกับใครบ้างแล้วเกิดกับผู้ ก่อนให้ขณะให้หลังให้กับบุคคลผู้บูชากับบุคคลผู้ให้ส่วนบุญกับบุคคลผู้อนุโมทนาส่วนบุญมีอีกเยอะแยะนะกับบุคคลผู้ทําปฏิสันถานการต้อนรับนะมีคนมาบ้านเราเราก็ดูแลส่วนใหญ่นําวัตถุสิ่งของใช่ไหยไปดูแลกัน หรือแม้แต่เราไปเที่ยวไปนู่นไปนี่มาล้วก็นำสิ่งของมาฝากกันในเรื่องเป็นเรื่องของทานทั้งนั้นยมพอมองภาพกว้างๆของเรื่องของทานพอเห็นไหมงั้นชีวิตของเราเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องทานหมดเลยไหมตลอดเวลาแทบตลอดเวลาเลยนะต้องเจอผู้คนต้องมีวัตถุสิ่งของแม้แต่การทิ้งลังดูสิยม แม้แต่การทิ้งขยะโยมมีขวดพลาสติกมีอาหารเศษอาหารเหลือๆนะแค่โยโยนทิ้งไปเนี่ยแล้วบอกว่าเศษอาหารนี้ถ้าเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายก็ขอให้เขาเหล่านั้นมีความสุขได้อิ่มหนำสำราญได้รับประโยชน์ชื่อว่าทานเปลี่ยนจากขยะเป็นทานนะโยมได้รีไซเคิลหรื อ, อยังรีไซเคิลไหม รีไซเคิลขยะหรื อ, อยังนะเขารีไซเคิลแบบนี้นะเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ mm hmm. เกิดแก่บุคคลผู้อ่อนน้อมอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่มีการยกมือไหว้กันมีการเคารพอ่อนน้อมกัน mm hmm. นี่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการทานนะ บุคคลผู้จำแนกแกจกจ่ายนะผู้ขวนขวายช่วยเหลือกันส่งข้ออนุเคราะห์กันนะเลี้ยงดูมารดาบิดาหรือแม้แต่ผู้รับมรดกนะผู้ชักชวนให้ทานชักชวนให้ทานกันหรือแม้แต่การให้อภัยนะการให้อภัยนี้ก็ชื่อว่าเป็นเรื่องของทานเหมือนกันนะอันนี้คือลักษณะของทานโยมจะได้มอง เรื่องของฐานกว้างๆ ว, ว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยฐานนี้สามารถเป็นปัจจัยเพื่อการบรรลุเลยนะเป็นปัจจัยเพื่อสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นปัจจัยเพื่อวิปัสสนานะ้ายโยมเข้าใจเรื่องของฐานแล้วถ้าเกิดไปเจริญกรรมฐานไหนๆเนี่ยไม่มีปัญหาเจริญอาณาปานาสติเจริญมาราณาสติเจริญพุทธานุสติเจริญพรมวิหารไม่ใช่ปัญหาเลย ถ้าพื้นฐานของทานหนาแน่นมั่นคงและทำด้วยความเข้าใจ <c oughs> อันนี้คือลักษณะว่าทานนะลักษณะของทานตาผมเหรอครับท่านมหา <c oughs> ตาผมเหรอครับอ่าใช่ในบทมันบอกว่าให้ถามท่านมหาว่าทานมีเท่าไหร่ครับโอ้ทานมีเท่าไหร่ใช่ไหมครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวขัดจังหวะ น, นิดนึงก็คือถ้าโยมจะถามคำถามก็เดี๋ยวโยมพี่เลี้ยงพยุงเขาจะเอาไม้มาให้นะเดี๋ยวถ้าใครจะแอบจะเขียนกระดาษก็ได้นะ ม, มีคนเขียนมาแล้วนะเดี๋ยวจะตอบให้นะ<า>นคำถามคถามทานมีเท่าไหร่ครับทานมีเท่าไหร่นะลักษณะของทานนี้ <c oughs> มีหลายหมวดด้วยกันถ้าเราไปศึกษาดูแล้วนะ ทานหมวดสองก็มีหมวดสามหมวดสี่หมวดห้ามีทุกหมวดนะยกยกยกยกตัวอย่างในทานสองหมวดก่อนนะปฏิคาหกสองประเทศเออสองประเภทปฏิคาหก็คือผู้รับผู้รับมีสองประเภทนะแบ่งออกเป็นปาติปุคลิกทานและสังคทาน อันนี้หมวดสองนะทานหมวดสองมี2ประเภทอีกอย่างหนึ่งก็คืออามิสทานได้แก่วัตถุสิ่งของแล้วก็ธรรมทานส่วนเครื่องมือในการให้ทานก็มีอย่างเช่นให้ด้วยมือของตัวเองนะแล้วก็ใช้ให้ผู้อื่นให้ นีเป็นลักษณะวิธีการให้สองประเภทอีกสองประเภทนะการให้ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างหนึ่งแล้วก็ให้ด้วยไม่ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งเป็นสองอย่างความเศร้าหมองและความผ่องแพ้วแห่งทานความเศร้าหมองนะเช่น วัตตนิสิตทานได้แก่การให้ทานเพื่อปัรถนาที่อยู่ในวัตทุกข์ในวัตตะสงสารนี้ปารถนาที่จะอยู่อย่างเช่นให้เพื่อปารถนามนุษย์ให้เพื่อปารถนาสวรรค์ให้เพื่อปารถนาพรมอย่างนี้นะแล้วก็มีการให้เพื่อออกจากวัตตะสงสารนี้เป็นหมวดสองนะคำว่าจาคะการสละก็มีสองอย่างนะอามิส อามิจจาคะการสละวัตถุสิ่งของท ร, รมมจจาคาคือการสละธรรมการอนุเคราะห์ก็มีสองอย่างอนุเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของและอนุเคราะห์ด้วยธรรมการสงเคราะห์การสงเคราะห์ก็ด้วยวัตถุสิ่งของและด้วยธรรมการจําแนกการจําแนกแจกทานก็มีอยู่สอง การจำแนแกแจกวัตถุสิ่งของเช่นมีวัตถุน้อยก็ให้น้อยมีวัตถุปานกลางก็ให้ปานกลางมีวัตถุมากก็ให้มากมเรียกว่าการจำแนแกแจกทานการเอื้อเฟื้อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นเนี่ยมีสองอย่างเหมือนกันเอื้อเฟื้อด้วยวัตถุสิ่งของและเอื้อเฟื้อด้วยธรรมส่วนการให้ ชนิดพิเศษเลยการให้ชั้นพิเศษเรียกว่าการบูชาเป็นการให้เหมือนกันก็การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของและการบูชาด้วยธรรมการปฏิสันฐานตอนรับดูแลก็มีสองอย่างเหมือนกันตอนรับด้วยการนำวัตถุสิ่งของมาให้กับตอนรับด้วยธรรมะอันนี้หมวดสองหรือแม้แต่ ทายาทผู้ควรรับมรดกนี่ก็เป็น2 อ, อย่างเช่นกันรับมรดกที่เป็นอามิตรคือวัตถุสิ่งของรับสมบัติแก้แหวนเงินทองแล้วก็รับมรดกธรรมอย่างเช่นพระภิกษุสามเณรหรืออุบาสกอุบาสิกาอันนี้เป็นผู้รับมรดกธรรมจากจากใครลง จากพระพุทธเจ้าเลยนะ <c oughs> อันนี้เป็นหมวดสองส่วนหมวดสามก็เป็นการให้แบบปารถนาปารถนาที่จะได้ราบยศสารเสรื่สุขอันนี้เรียกว่าทานอย่างต่ำถ้าทานอย่างปางกลางก็ปารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติสะกเกสมบัติมารสมบัติโพมสมบัติ นะพวกนี้ถ้าเป็นอย่างประนีตเลยปราถนาพนิพานอันนี้ทานสาระดับันนี้หมวดสนะหรือแม้แต่ประกอบด้วยอิทธิบาสีอย่างตำ่ำโดยปราถนาสุขติภูมิอย่างนี้เรียกว่าอย่างตำ่ำถ้าอย่างกลางเนี่ยมีอิทธิบาทสประกอบด้วยอิทธิบาสีแล้วปราถนาปัจเจกโพธิญาณ ถ้าอย่างประนีตอย่างสูงเลยคือปราถนาสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธิยานมีใครในที่นี้ปราถนาหรือยังถ้าจะปราถนาศึกษาข้อมูลให้ดีโยมในพระไตรปิฎกเนี่ศึกษาข้อมูลว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นพะระปเจกับพุทธเจ้าจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าศึกษาให้ละเอียดในวิธีการที่จะปฏิบัติและนาตัวเองพัฒนาตัวเองจาก บุคคลที่เป็นปุถุชนธรรมดาก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปสู่เป็นอริยะได้การให้สามประเภทนะให้อามิสท า, านให้อภัยทานให้ธรรมทานแล้วเมื่อกี้ที่สัมเณรนว่าเขตสมบัติทยธรรมสมบัติจิตสมบนะัตินามิสามส่วนคำว่ายัญญสัมปทาคือการให แบบบูชาใหนะ้แบบบูชาคราวนี้ลักษณะการให้ในหมวดสามชั้นพิเศษนะมีมีการให้ชั้นพิเศษอีกเช่นความสันโดษโยมความสันโดษเนี่เรียกว่าการให้ชั้นพิเศษมีอยู่สามประการด้วยกัน <c oughs> ยาถาลาภสันโดษพอใจสิ่งที่ตัวเอง มีนะพอใจสิ่งที่ตัวเองได้ที่ตัวเองมีตัวเองได้เนี่ยสิ่งที่เราพอใจเวลาคนอื่นมาให้เราแล้วบอกว่าดูคนนู้นสิคนนู้นเนี่ยสมควรที่จะได้กว่าเราเรามีแล้วเราเพียงพอแล้วท่านหรือเธอลองเอาไปให้คนนั้นสิคนนั้นเนี่ยเขาต้องการอยู่นึกว่าเราสันโดษเราเราไม่รับของเขาแต่มีคนที่เหมาะสมกว่าเรา นี่เรียกว่าการให้ชั้นวิเศษนะโยมนะเราไม่เอาแต่เราเราไม่รับแต่ให้คนอื่นรับใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าหาผู้ที่รับที่เหมาะสมเรียกว่ายถาลาภสันโดษยถาภระสันโดษคือพอใจตามกำลังพอใจตามกาลังเรามีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนี่เรียกว่าเป็นทานนะโยมนะ มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นไม่ไปต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องไปทําบัตรเครดิตไม่ต้องไปใช้ก่อนใจที่หลังมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนี่เรียกว่ายาถาลาภสันโดษเป็นทานนะโยมนะฌานทันพิเศษด้วย <c oughs> ยาถาสาสารุปรสันโดษยินดีในสิ่งที่สมควรอันนี้เหมาะสมแก่เรา สิ่งนั้นไม่เหมาะสมแกเราเลยดังนั้นเราจึงรับมาแล้วก็นำไปถวายผู้ที่เหมาะสมกว่าเรานี่เรียกว่าการให้ทานแบบชนิดพิเศษอยงอันนี้มาหมวดสี่บ้างหมวดสี่ลักษณะคล้ายๆกับหมวดสามนะก็คือมีวัตถุมีผู้รับมีผู้ให้มีพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือ ถ้าเจอผู้รับที่เป็นพร ะ, ระพระพุทธเจ้าพระประเจกับ พ, พุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าหรือพระอนาคามีผู้ออกจากนิโรธสมาบัติการให้นั้นจะเป็นการให้ที่ให้ผลภายในเจ็ดวันโยมถ้าเจอนะโยมก็ทำบุญเมื่อไหร่ให้เมื่อไหร่ก็ปาฏณาาที่จะเจอบุคคลเหล่านี้เพราะ ให้แล้วสมหวังได้ไวนะภายในเจวันความจริงที่เราให้ปัจจุบันนี้เราก็ได้ผลในปัจจุบันเหมือนกันนะนะเพราะการให้มีผลสามประการนะให้ผลในชาตินี้เลยให้ผลในชาติที่สองและให้ผลในชาติที่สามจนถึงเราบรรลุพณนิพภานในนั้นทานนิที่เราให้เนี่ยจะตามให้ผลตลอดให้ปัจจุบันได้แน่นอน นะแล้วก็ให้ในชาติที่สองให้ชาติที่สายันปรินิพานจะติดตามให้แบบนี้นะ <c oughs> แล้วก็ทักซีนาวิสุดสี่ประการนะคือบริสุทธิ์คือคือการให้ทานเนี่ยจะให้ทานบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายฝ่ายรับฝ่ายให้และฝ่ายรับอันนี้แยกออกเป็น4ประเภทเดี๋ยวรายละเอียดจะไปเจาะลึกกันในในหมวดต่อไปนะ ตอนนี้มาดูทานหมวดที่ห้าาหมวดที่สี่ยังไม่จบนะเป็นพรหมวิหารให้ทานแบบมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาให้แบบอุเบกขาก็มีนะการแบ่งทรัพย์สมบัตินะได้มาจำแนกแบ่งให้ดี น, นี่เรกษนะการบริหารทรัพย์เรียกว่าเป็นการให้ นะเพราะเราแบ่งจำนวนหนึ่งนะไว้ดูแลตัวเองแบ่งจำนวนหนึ่งไว้ดูแลลูกภรรยาสามีบริหารนะธุรกิจและไว้ใช้จ่ายในายามจำเป็นและทำบุญทำกุศลเห็นไ้ยนี่เป็นเรื่องของทานทั้งนั้นโยมแม้แต่การบริหารทรัพย์สมบัตินั่นแหละเนะี่ยทํหมดนี้เรียกว่าโพค้าวิพาคะการแบ่งหรือการจำแนกทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ ส่วนนี่ก็เป็นของพระอริยวงปฏิปทานะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีวอรอาหารบิณฑบาตเสนาสนะพวกนี้นะคราวนี้มาดูทานหมวดที่หทานหมวดที่หมีศรัทธาทานให้ด้วยความศรัทธาสักกัจจทานให้ด้วยความเคารพ ่อนน้อมนะการลทานให้ถูกการถูกเวลาให้เหมาะสมนะ <c oughs> อนุคใหิเตุทานให้ด้วยอนุเคราะห์ช่วยเหลือแล้วก็ให้ไม่เสียดายอันนี้ <c oughs> ให้ไม่กระทบตนและผู้อื่นนะไม่กระทบตัวเองด้วยไม่กระทบคนอื่นด้วยอันนี้ทานหมวดที่ห้า ในสมัยก่อนมีมหายันด้วยนะในให้แบบพระราชาให้นะอันนี้ถ้าอยากศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะหนังสือเล่มนี้ก็จะมีออกต่อไปในอนาคตนะคงจะได้อ่านกันส่วนมหาทานพัฒนาและนะโยมพัฒนาจากทานปกติเป็นมหาทานมหาทานเกี่ยวกับเรื่องการให้อภัย ให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินให้ความปลอดภัยแก่บุตรภรรยาสามีของบุคคลอื่นให้ความสัตว์คําจริงให้คำความสมัครสมานสามัคคีให้คําไม่ให้คําอ่อนหวานไพโรอ่อนหวานไม่ให้คําหยาบนะให้คําที่มีประโยชน์ไม่ให้คําที่เพ้อเจ้อไร้ประโยชน์นนี่เป็นเรื่องของการให้ พัฒนาการให้ที่โยมให้จากวัตถุสิ่งของพัฒนามาให้อวัยวะร่างกายนะก็เรียกว่าอุปบาบรามีและพัฒนามาให้ชีวิตพัฒนามาจนถึงการให้อภัยอยันนี้เป็นเรื่องของการให้ทั้งนั้นนะโยมนะเป็นเรื่องพัฒนาสู่ทานเป็นมหาทานมหาทานเนี่ยเขาเรียกว่าศีล น, นะโยมนะอันนี้หมวดที่หนะ้า ต่อไปมีหมวดที่6อีกเรียกว่าสารานิยธรรมโยมสารานิยธรรมหมวด6เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเมตตาสข้อเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตามนโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังการกระทํามีการให้นะมีการหยิบยื่นให้ประกอบด้วยเมตตาสายตาต้องไม่ดูนะโยมนะ เวลามองพระมาเนี่ยสายตาต้องไม่ดุเพราะว่าพระเป็นคนขี้กลัวนะโยมนะเป็นคนขี้กลัวดังนั้นสายตามองด้วยความรักความปรารถนาดีเวลาพูดจาพูดด้วยความไพเราะอ่อนหวานเรียกว่าเป็นการให้ เ, หมเมตตากายกรรมประกอบด้วยทั้งต่อหน้าและรับหลัง ไม่ใช่ต่อหน้าอีกอย่างหนึ่งรับหลังไปนินทาส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้า ง, งานเนี่ยหรือลูกน้องที่เราจะนินทารับหลังหรือแม้แต่เราไปเจอเพื่อนๆกันนะก็นินทาอีกคนหนึ่งบุคคลที่3อย่างนี้นะส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะเป็นปกติเลยนะของคนที่ <c oughs> ยังมีกิเลสอยู่ พอเจอหน้ากันก็จะคุยไม่มีเรื่องคุยปกติแล้วสมัยก่อนเจอหน้ากันเขาจะถามว่าปฏิบัติกรรมฐานหมวดไหนเขาจะถามเธอรักษาศีลเป็นอย่างไรให้ทานเป็นอย่างไรเขาจะสนทนาธรรมกันก็จะไม่มีคำเพอรเจอไม่มีคำเทศไม่มีคำยาไม่มีคำสอดเสียดแต่เดี๋ยวนี้ พอไม่ได้ศึกษาธรรมะกันก็ไม่มีธรรมะที่จะพูดกานดูละครเมื่อคืนก็เลยมาเล่ากันก็ดูด้วยกันนั่นแหละก็มาเล่ากันเองสนุกสองคนขำกันใหญ่ไปมาคุยเรื่องเดียวกั น, นแต่ไม่เป็นประโยชน์เพิรเจอร์นี่ก็ไม่เป็นไม่เป็นไปเพื่อที่จะกำจัด ก, กิเลสออกจากวัฏจัดทุกได้ดังนั้น เวลาเจอการมีการหยิบยื่นให้การมีการพูดจาการต่อหน้าและลัหลังทำเหมือนกันดังนั้นต้องมีการฝึกเนือยนะฝึกอย่างมั่นคงหนาน่นฝึกเป็นประจำมันถึงจะพัฒนาได้ไม่งั้นถ้าเกิดมาเจ็ดวันกลับไปก็สามร้อยกว่าวันยสามร้อยกว่าวันนะนนะใช้ชีวิตเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมไม่ได้นำไป ปฏิบัติต่อหรือไม่ได้ไปฝึกฝนพัฒนาเลยก็แค่มาพักแค่นั้นเองแหละเรียกว่ามาพักเสร็จแล้วก็ไปเจออีกส0 0ร้อยกว่าวันกลับมาอีกสบับกสบอมมาเลยนะโยมนะตอนมาเนี่ยตัว น, น่วมเลยหลายทุกทุกทางเลยพอกลับมาก็เท่ากับมาพักแล้วก็มาไปอีกเจออีกสังคมเดิมเดิมความคิดเดิมเดิม การพูดจา ก, ก็เดิมๆนินทากันเหมือนเดิมว่าร้ายกันเหมือนเดิมพูดหยาบคายนะแล้วก็เอารัดเอาเปรียบการเห็นแก่ตัวอย่างนี้แหละเพราะสังคมเป็นอย่างนี้สังคมที่เสื่อมอะโยมดังนั้นไม่ใช่ธรรมดากว่าจะรวมกลุ่มเป็นสังคมที่มีธรรมะสังคมที่ประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยดังนั้นโยมต้องตัดสินใจแบ่งเวลาแล้วแหละครึ่งหนึ่งไปกับชีวิต ไปกับสังคมเลยอีกครึ่งหนึ่งมาศึกษาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลารเลยอีกครึ่งหนึ่งเพราะชีวิตเหลือน้อยยังลองแบ่งดูสิโยมสมมติว่ามีหนึ่งร้อยปีให้เยอะเลยนะหนึ่งรอปีแบ่งคนละห้าสิบํิทบุญทําความดีฝึกหัดปฏิบัติขัดเกลาร์หาสิบปีแล้วก็ไปกับชีวิตอ่กห้าสิบปี ไปกับสังคมอันนี้สำหรับคนร้อยปีย้อนกลับมาดูตัวเราโยมเหลือกี่ปีอัตมาสี่สิบโยมถ้าอายุไข75เจ็ดสิบห้าก็เหลือแค่สามสิบห้าปีแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนี้สำหรับการนอนนะโยมนะะแบ่งไปส่วนหนึ่งเลยสาม สามสิบห้าแบ่งไปส่วนหนึ่งเหลือเหลือเท่าไรโยมเหลือสิบกว่าปีเองอ่ะเหลื อ, อตีไปยี่สิบอ่ะยี่สิบกว่ากว่าหน่อยหน่อยแล้วการประพฤติปฏิบัติล่ะเพราะการนอนเนี่ยเราเสียไปเลยหนึ่งส่วนนะโยมนะหนึ่งส่วนไม่ได้ปฏิบัติเลย เพราะในขณะนั้นจิตใจลงปกติเขาเรียกว่าลงพวางเนี่ยจะไม่มีบุญไม่มีบาปไม่สามารถที่จะรับบุญบาปได้แต่เมื่อไรฝันฝันดีก็โชคดีไปส่วนใหญ่จะฝันดีแล้วไม่ดีถ้าฝันไม่ดีเป็นบาปคุมไม่ได้ด้วยโยงควบคุมไม่ได้ในขณะฝันเพราะตอนนั้นจิตใจอ่อนแล้วควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราฝึก ไว้ตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่ตื่นนอนจนมาถึงก่อนนอนเราฝึกเป็นกุศลให้เกิดขึ้นตลอดเลยเวลาฝันจะฝันถึงบาปได้ไหมก็ยากเพราะเราได้ฝึกฝนพัฒนามาแล้วพอไปนอนก็เป็นฝันเรื่องบุญน่ะเคยฝันให้ทานไหมโยงเคยฝันได้ไปสวรรค์วิมานไหมเคยฝันเห็นปฐมวาชานไหมโยงดูสิแม้แต่ฝันยังไม่เคยอ่ะ ดังนั้นโหต้องรีบขวนขวายพัฒนาฝึกหัดอดทนต้องเต็มกำลังนะโยมนะเหลือเท่าไหร่ละโยมอัตมาเหลือยี่สิบกว่าเองแล้วถ้าไม่ถึงละโยมเขาจะเลยให้เจริญมรณาสติอะถ้าเกิดมาเหลืออีกเจ็ดวันจะทำางไงโ ย, ยมหรือเจ็ดวันทำทันไหมเนี่ย หนีอบายทันไหมเนี่ยกำจัดกิเลสได้หรือยังโลภะหมดหรือยังก็ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายโทสะหมดหรือยังหมดหรือยังไม่หมดก็ไปเป็นสัตวน์นรกโมหะหมดหรือยังความลุ่มหลงความเบอเบอ์ความไม่รู้ตามความเป็นจริงยังก็ไม่หมดก็ยังไม่ได้ทำลายเหตุ แห่งการเกิดเลยก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนไหมอย่างนี้แน่นอนพยากรณ์ได้เลยว่าจะต้องไปอบายเพราะทําบุญน้อยทําบาตมากเห็นไหมดังนั้นต้องฝึกให้หนาแน่นโยมเรื่องทานต้องหนาแน่นพัฒนาไปสู่สีนที่หนาแน่นนะก็จะได้พัฒนาไปสู่สมาธิและวิปัสสนาปัญญาเพื่อกำจัดกิเลสอย่างถาวร นะอันนี้เป็นสารายนิธรรมสมข้อเนี่ยพระทางพระเนี่ยจะได้ฝึกหัดขัดเกลากันเป็นประจำนะเรื่องเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสาธารณโบคีคือได้ของมาก็แบ่งปันกันนะสมัยก่อนนะเขามีแกงถ้วยนะก็แบ่งกันมีแกงถ้วยเดียวจะทำยังไงถึงกินได้ตลอดปีตลอดชาติเนี่ย เราก็แบ่งแบ่งให้ชาวบ้านเมื่อก่อนมีนะเมื่อก่อนไม่มีล้วนะแต่มีล้วก็ยังเป็นล้วกินได้นะเมื่อก่อนเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้เป็นล้วอะไรโหล้วกกำแพงขังตัวเองด้วยเวลาไฟไหม้อะออกไม่ทันทั้งล้วเหล็กล้วลวดหนามล้วแหลมแหลมล้วกระจกล้วอะไรเต็มไปหมดนะเพื่อขังตัวเอง แสดงความตานันหีของตัวเองแสดงความเห็นแก่ตัวของตัวเองเมื่อก่อนข้าวนี่<ม>คนไปเก็บนี่กินได้เลยนะโย ม, มเมล็ดใหญ่เลยกินได้เลยไม่มีแกบสุกเลยตามธรรมชาติไปตักกินได้เลยไม่ต้องหุงแต่เดี๋ยวนี้เราต้องหุงเราต้องจัดแจงเราต้องทำเสียเวลาในการดูแลเรื่องการกินเนี่ยเยอะมากเพราะ ความเห็นแก่ตัวเพราะความตนหนีของคนก็ครอบงามครอบงา ม, มเมล็ดข้าวที่เป็นก็เรียกว่ากรรมที่เกิดจากวัตถุที่เกิดจากกรรมของสัตว์เป็นปัจจัยเนี่ยก็เลยหุ้มห่อเพราะความตนหนีของคนก็เลยหุ้มห่อตัวเองไว้แล้วก็เม็ดลงรีบลงรีบลงรีบลงเรื่อยเรื่เนี่ยนี่เป็นลักษณะของใน ในสิ่งรอบกายของเราเนี่ยเป็นเกิดจากกรรมของมนุษย์ดังนั้นเมื่อเราทํากรรมร่วมกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นบาปอากุศลก็จะถูกทําลายพร้อมกันนะอย่างเช่นมีการชุมนุมกันนะเพื่อต่อว่ากันให้ร้ายกันส่อเสียดกันก็จะถูกน้ําบ้างทําลายน้ําท่วมบ้าง ถูกพายุพัดบ้างทำลายหมดสิ้นนี่คือลักษณะของทำกรรมร่วมกันโยมในนี้คงไม่ได้ไปร่วมทำบาปกันนะไปไหมไม่ไปอุโชคดีจังเลยไม่งั้นเดี๋ยวโดนน้ำท่วมกันหมดเลยเดี๋ยวโดนพายุทำลายกันหมดเลยนะอันนี้เราก็ต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับในเรื่องนี้นะ แล้วมีศีลเสมอกันมีความเห็นเสมอกัรนี่เรียกว่าสาธารณโภคีเมตตาสข้อกายกรรมวจีกรรมโนกรรมแบ่งปันกันมีศีลเสมอกันมีความเห็นเสมอกันนี่เรียกว่าสารานิยธรรมโยมนําไปปฏิบัติได้นะไม่ใช่จะปฏิบัติเฉพาะพระเท่านั้นโยมก็ปฏิบัติได้นะเพื่อที่จะเป็นเหตุให้ทานของเราบริบูรณ์ ศีลของเราก็บริบูรณ์ไปด้วยนะแม้แต่ภาวนาของเราก็เจริญด้วยคราวนี้ลักษณะหมวด8ดเลยนะหมวด8ดเรียกว่าสัปปุริสทานแปดให้ของที่สะอาดเวลาให้นะต้องพิจารณาดีๆให้ของที่สะอาดไม่เปรื้อนไม่เศร้าหมองน ะ, ะให้ของที่สะอาดอันที่สองให้ของที่ประณีตดีสมส่วน <c oughs> ให้ถูกการถูกเวลาให้เหมาะสมะให้ของที่สมควรแก่ผู้รับอันที่สี่นะห้าให้เลือกให้ให้ด้วยปัญญาพิจารณาแล้วก็ให้นะให้เนืองเนืองให้ทุกวันให้เป็นประจำน้าแก้วหนึ่งบูชาพระพุทธเจ้าได้ทุกวันโยม เชา้าเย็นได้สองเที่ยวเลย เ, เลิกงานาตื่นขึ้นมาแล้วก็ก่อนนอนอแล้วก็ให้ได้บูชาพระพุทธเจ้าทุกวันให้สามีให้ภรรยาให้ลูกๆให้เงินนซื้อของจากาจากจากห้างสรรพสินค้าแมคโครโรตัสเซเว่นะ Seven, อะไรก็แล้วแต่ น้ำของเข้าบ้านเนี่เป็นวัตถุทานทั้งนั้นเราเลี้ยงดูบุตรภรรยาสามีพ่อแม่พี่น้องหมดเลยนะแม้แต่การเสียภาษีนี่ก็เป็นการให้ทานถ้าคิดดีๆโยมให้เพื่อเสียภาษีเนี่ยเขานำไปพัฒนาประเทศมันเป็นเงินที่ได้ทำประโยชน์นะอย่างดีเยี่ยมเลยนะโยมดังนั้นเวลาที่โยม ไปซื้อของซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโยไม่คิดว่าตอนนี้เรากําลังพัฒนาประเทศนะแต่เราไม่ได้ทําเองมีตัวแทนไปพัฒนาให้เราเห็นไหมดังนั้นสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นทานของเราที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ถ้าคิดนะถ้าคิดให้ดีนะนี้ให้เนื่องๆให้เป็นประจําอำดังนั้นในชีวิตของเราไม่ขาดการให้ทานหลักโย ถ้าทางกิตตังปัสสาเทติก่อนให้มีใจเลื่อมใสทัตาตะวะตมโนโหติให้แล้วก็มีใจเบิกบานนี่ทั้งหมดเราเรียกว่าหมวดแห่งทานโยมก็จะเห็นว่าเรื่องของทานในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆซะแล้วมันอยู่กับชีวิตประจําวันของเร า, นาในทุกขณะทุกเวลาเราสามารถที่จะคิดพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ที่เรียกว่าทายก ทายกผู้ให้ทานบดีผู้เป็นเจ้าของแห่งการใหนะ้สามารถตัดสินใจให้ได้ทานท่วงทีนะอันนี้คือเป็นหมวดแห่งทานต่อไปคำถามใช่ไหมเน้นตอบเลยมีคำถามว่าการทำบุญให้ทานแก่ผู้เสียชีวิตไปแล้ว ควรจะให้ทานอะไรจึงจะได้รับผลได้ดีและรวดเร็วก็มียกตัวอย่างมา2 อ, อย่างนะก็คือยกตัวอย่างเป็นคําถามขึ้นมาด้วยว่าใช่ว่าต้องทําบุญให้พระภิกษุทุกๆวันสม่ําเสมอใช่ไหมถึงจะได้รับผลดีและรวดเร็วข้อ 2. หรือเป็นการเจริญภาวานาเช่นที่ทําอยู่ขณะนี้คือเราจะเจริญภาวานาแล้วแผ่อุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้ถึงจะได้รับผลดีและ รวดเร็วใช่ไหมนิมนต์ท่านมหาหน่อยครับถามใหม่สิทวนคำถามให้ฟังอีกครั้งนะก็คือว่าเขาอยากจะรู้ว่าทำบุญให้ทานแก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วควรจะให้ทานอะไรถึงจะได้รับผลได้ดีและรวดเร็วเข า, าก็เกื้งถามขึ้นมาว่าใช่ต้องทำบุญให้พระภิกษุทุกวันอย่างสม่าเสมอใช่ไหมหรืออีกอย่างหนึ่งที่เขาคิดได้ก็คือว่า หรือเป็นการเจริญภาวนาเช่นที่ทำอยู่ขณะ น, นี้คือเจริญภาวนาแล้วก็แผ่อุทิศส่วนกวุศลไปให้ก็คือสองอย่างนี้ใช่ไหมถึงจะได้รับผลได้ดีและรวดเร็วถ้าจะทำบุญแล้วให้ทานให้แก่ผู้ที่เสียชีพไปแล้วหรือจะมีประเด็นอื่นอื่นนมนท่านมหา <c oughs> คําถามนี้ก็เป็นการถามเองตอบเองนะโ <c oughs> ยมก็ตอบมาแล้วแหละแต่ตมาก็เสริมให้นะว่า <c oughs> โยมก็ทำความเข้าใจก่อนว่าการที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่วนเนี่ยคนที่จะอุทิศส่วนบุญได้จะต้องมีบุญถูกมยโยมถ้าไม่มีบุญทำไม่ได้อุทิศไม่ได้จะไปอุทิศอะไรให้ต้องมีบุญซะก่อนวิธีการทำบุญก็ต้องสิบประเภทใช่ไหมการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการขวนขวายช่วยเหลือคนอื่นการอ่อนน้อมถม่อมตนการ ให้ส่วนบุญอนุโมทนาส่วนบุญการฟังธรรมการแสดงธรรมและแม้แต่การทำความเห็นให้ตรงนะโยมกะทำอะไรก็ตามเสร็จแล้วมันความคิดเนี่ยมันตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยอย่างเช่นมีสตนะิมีปัญญามีความไม่โลภมีความไม่โกรธนะเราไม่โกรธคนอื่นเขาเนี่ย เือว่ามีบุญแล้วนะในขณะนั้นใจเป็นบุญถูกไหมโ ย, ยมไม่โกรธคนอื่นน่ะในขณะนั้นจิตใจเป็นบุญแล้วก็คิดถึงว่าโอ้เนี่ยเราโชคดีนะที่เราเป็นคนมีเมตตาเนี่ยไม่โกรธคนอื่นเรามีความไม่โลภนะไม่อยากได้ของคนอื่นเลยเนี่ยเขาวางไว้เนี่ยเงินสามสิบล้านเราไม่เก็บอะ่ะเราไม่อยากได้เขาเลยอะ่ะอยากได้ม่โ ย, ยมสามสิบล้านไม่เห็นอยากได้เลยเนาะก็เป็นกระดาษแค่นั้นเองน่ะ นี่ชื่อว่าเราไม่อยากได้ของคนอื่นบุญเกิดหรื อ, อ ย, ยังโยมเกิดหรือแม้แต่โยมให้เงินลูกเนี่ยบุญเกิดแล้วโยมทำกับข้าวทุกวันเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาเลี้ยงสามีเนี่ยมีบุญเกิดแล้วเก็บที่นอนให้ลูกให้ภรรยาให้สามีเนี่ยให้พ่อแม่เนี่ยเป็นบุญแล้วบุญเกิดขึ้นแล้วอุทิศส่วนบุญได้เลยหรือแม้แต่สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิหรือแม้แต่อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับสิบประเภทนั่นแหละนะมีการให้ทารักษาศีลเจริญภาวนาขวนขวายช่วยเหลือบุคคลอื่นเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่หรือการไหว้กั น, นาการไหว้กันเนี่เป็นบุญแล้วนะลุกให้คนอื่นเขานั่งเป็นบุญแล้ว <c oughs> แสดงธรรมฟังธรรม ให้ส่วนบุญอนุโมทนาส่วนบุญเขาไปทำบุญมาเราสาธุโอ้ยอนุโมทนาด้วยนะไปทาบุญมาเราได้บุญแล้วอุทิศ ส, ส่วนบุญได้เลยโยมคราวนี้จ้องใส่บาตรทุกวันแล้วอุทิศไมโยมโยมอุทิศได้ตลอดเวลาเพราะโยมทำบุญตลอดไปซื้อของที่เซเวน่นอะบอกโอ้ยนี่เราได้เสียภาษีให้กับประเทศนะเขานาไปนะ สร้างถนนสร้างสะพานสร้างรถไฟฟ้ า, ส า, า, ส, า, า, าสาธารณูประโยชน์สาธารณะประโภเออบุสาธารณูประพกเรียกไม่ถูกแล้วทั้งหมดเป็นบุญโยมไปซื้อของนะ่ะเปิดติ้งตองในเซเว่นนะ่ะเข้าไปปุพลาเจตนาไข้ควรแล้วขณะ นั้นซื้อมาแล้วก็นำไปให้ภายหลังไข้ควรนั่นก็เป็นบุญแล้วโยมก็อุทิศได้เลยเคยคิดไหมยโยมเข้าเซเว่นเนี่ยเข้าโลตัรเข้าแมคโครเคยคิดไหมว่าเป็นบุญเคยอุทิศส่วนบุญตอนนั้นไหม <S <S ซื้อน้ำมาขวดหนึ่งหยาดหน้าเซเว่นเลย นี่เป็นลักษณะของการถ้ามีบุญแล้วอุทิศได้ทันทีนะแต่ยอมต้องเข้าใจคาว่าบุญหรือการให้นั่นแหละน่าจะครบคุมแล้วนะเข้าคุมลรือย่างก็คือให้ทานแก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคืออันดับแรกเราไม่รู้ว่านี่ขอเสริมนะครับเขาไม่ไม่รู้ว่าเขาไปเกิดเป็นอะไร เขาไปเกิดในภพภูมิที่รับได้หรือเปล่านั่นคืออันดับแรกและถ้าเขาไปเกิดในภพภูมิที่รับได้อย่างเช่นเป็นเปรตประเภทหนึ่งประทัดตูปชีวิกเปตเป็นต้นคนคนนั้นต้องรับรู้แล้วก็มีอุปนิสัยที่จะอนุโมทนาบุญด้วยโยมเออมันถึงจะเกิดกับบุญถึงจะเกิดกับคนคนนั้นถ้า เขาไม่ได้มาเรียนรู้อะไรเหมือนพวกเราคือในบุญกิริยาบทสิบมันมีทานอยู่สมข้อก็คือข้อทานข้อหนึ่งโดยตรงแล้วก็ข้ออุทิศสวนกุศลแล้วก็ข้ออนุโมทนาสมข้อนี้นับเป็นทานเหมือนกันหมดแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่พอจะนับได้ก็คือข้อทำความเห็นให้ถูกตรงก็นับเนื่องได้เหมือนกันคือถ้าเราอุทิศให้เขาแล้วเขาไม่รู้เขาก็ไม่ได้ถ้าเขารู้แล้วเขา ไม่อนุโมทานาก็ไม่ได้อีกแต่เราให้ทําก็ทําไปก่อนถามว่าต้องทําบุญให้พระภิกษุทุกวันสม่ําเสมอใช่ไหมก็ตอบก่อนว่าการทําบุญให้พระภิกษุก็คือที่จะกล่าวไปแล้วก็เมื่อกี้ก็มีคือเรื่องเกี่ยวกับผู้รับคือถ้าผู้รับเนี่ยมีศีลเป็นต้นมันจะอุทิศได้ดีเพราะว่า แล้วแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือเรื่องของตัวเราเองแล้วก็วัตถุด้วยถ้าวัตถุนั้นได้มาโดยชอบธรรมเป็นสัมมาชีวะก็ทานนั้นก็ยิ่งบริสุทธิ์มีผลมากมีกําลังมากแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือตัวเราเองถ้าตัวเราเองไม่ได้สมานทานศีลไม่ได้เป็นผู้มีศีลเพราะว่าบางครั้งผู้รับไม่มีที่จะมีศีลก็มีแล้วก็วัตถุบางทีก็ไม่ถึงพร้อมก็มี แต่ที่เราทำได้ดีสุดคือตัวเราเองเป็นผู้ที่สมาทานศีลทุกวันทานที่ตั้งอยู่บนศีลนั่นแหละเป็นทานที่มีผลมากการทำให้พระพิสุดีกว่าอย่างอื่นยังไงก็คือพอจะมั่นใจได้บ้างว่าอย่างน้อยก็น่าจะเป็นผู้มีศีลแต่ว่าที่จะกล่าวให้มากกว่า น, นั้นก็คือว่าถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้มีศีลหรือไม่มีศีลแต่ว่าถ้าเราทาเจตนาให้เป็นสังฆทานเป็น มันก็จะเป็นทานที่มีผลมากเหมือนกันก็คือใน3ดในอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้ในตัวผู้ผู้รับหรือว่าตัวเราเองแล้วก็ตัววัตถุถ้ามีความถึงพร้อมมากผลก็จะมากแล้วก็ในเรื่องของการคือไม่จำเป็นต้องเป็นพระภิกษุเป็นผู้มีศีล5อย่างใดงหนึ่ง ก, ไก็ได้เปรียบเหมือนได้เปรียบเหมือนกับว่ามันเป็นวิทยุที่มีคลื่นส่งที่มันมีกำลังแรงนั่นเอง ถ้าทั้งตัวเราเป็นผู้มีศีลแล้วก็ผู้รับเป็นผู้มีศีลเจตนาก็บริสุทธิ์เป็นกรรมกุศลกรรมอย่างที่พระเจ้าต้องการไม่เจือด้วยตัณหาแล้วก็ข้อ2ที่ถามว่าถ้ายกตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าการเจริญภาวานาแล้วอุทิศให้ดีไหมก็ดีก็คือบางทีมันจะมีคํากล่าวว่าอย่างเช่นว่าการเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์แม้กระทั่ง ชั่วลัดนิ้วมือเดียวหรือพแค่ช้างกระเดกหูอะไรเงี้ยเป็นมีอันนี้ส่มากแต่ว่าก็ต้องถามได้ว่าจริงๆแล้วที่เราเจริญกันขนาดเนี้ยมันได้ระดับนั้นไหมเมตตาเจตตมุตไปว่าเป็นระดับฌานระดับสมาบัติถึงจะทําแค่ชั่วรัดนิ้วมือเดียวเราถึงจะมีผลมากถ้าเราทําแล้วมันตอนแรกๆมันหลับบ้างฟุ้งบ้างก็ยังไม่อาจจะมั่นใจได้มากเท่ากับ การทำทานแต่ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นไม่ควรฝึกหรือไม่มีผลเพราะมันก็เกื้อกูลกันเพราะว่าถ้าเราไม่ถ้าเราทำทานอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติเลยมันก็อาจไม่ถึงความพ้นทุกข์ได้เหมือนกันก็ตรงนี้ก็ตอบคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้คือได้รับผลดีได้รวดเร็วก็คือถ้าเลือกการทำบุญทำบุญให้กับผู้มีศีลหรือไม่ตัวเราเองก็ควรจะมีศีลแล้วคนนั้นก็ต้อง อนุโมทนาด้วยคนที่เป็นผู้รับที่อยู่ในภพพวงที่เหมาะสมท่านมหามีอะไรจะเสริมไหมครับก็มีจุดหนึ่งก็คือตรงที่ที่เราอุทิศไปแล้วเนี่ยว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับเนี่ยมันก็มีฐานะที่จะได้รับและไม่ได้รับฐานะที่จะไม่ได้รับก็คือญาติของเราไปเกิดเป็นสัตว์เด ร, าารัจฉาน ไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นพรหมพวกนี้ก็จะไม่ได้รับจะได้รับเฉพาะเปรตผู้ที่รอรับส่วนบุญนั่นแหละส่วนลักษณะของเปรตนั้นก็เราจะกล่าวไม่ได้ว่าในสังสารวัตรที่เราเกิดมาเนี่ยเราไม่มีญาติที่ไปเป็นเปรตเพราะ เบื้องต้นและที่สุดของเรานันนับไม่ได้รู้ไม่ได้ว่าเราเกิดมาไม่รู้กิจบกิชาติแล้วถ้ า, ามีพระสูตรสูตรหนึ่งเรียกว่าอนัมาตค้าสูตรเนี่ยท่านบอกว่าถ้าจะนำฟ่อนหญ้าหรือใบไม้มารวมกั น, นในจักรวาลนี้ทั้งหมดนะมารวมกันกองหนึ่งบอกว่านี่พ่อนะคนนี้มารวมกันแล้วบอกนี่พ่อ นี่ก็พ่อมารวมกันจนใบไม้หรือฟ่อนหญา้าในจักรวาล น, นี้หมดไปแต่คําว่าพ่อของเรายังไม่หมดเลยดังนั้นเราจึงไม่กล่าวไม่ได้ว่าการที่เราอุทิศ ส, ส่วนบุญไปเนี่ยเปรตเหล่านั้นจะไม่ได้รับเพราะญาติของเราหรือพ่อหรือแม่พี่น้องของเราในอดีตชาติไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติแล้วเนี่ยมาดังนั้นเขาก็เกิดเป็นเปรตไม่รู้จํานวนเท่าไหร่ เคยได้ยินเปรตพระเจ้าพิมพิสารมโยมนั่นแหละเป็นญาติเป็นญาติของท่านดังนั้นญาติของเรามีจำนวนมากมายนะก็มีอีกพระสูตรหนึ่งรับรองว่าถ้าเราอุทิศไปเนี่ยมีคนไปถามว่าถ้าอุทิศไปแล้วจะได้รับไหมถ้าไม่ได้รับจะไปไหน พระองค์ก็ยืนยันว่าไม่มีไม่ได้รับนะไม่มีไม่ได้รับเพราะญาติของเรามันเยอะมากผู้ที่ร่วงรับไปเป็นเปรต เ, เนี่ยมีเยอะมากแต่แค่จะพวกเปรตจะพวกเลียวก็มีเยอะแล้วนะดังนั้นได้รับแน่นอนแต่พรามณ์ก็ยังยืนยันว่าถ้าไม่ได้รับล่ะทานนั้นจะไปไหนก็เลยเปรียบเหมือนกับการที่เรานำอาหารไปให้กับแขก ผู้ที่มาบ้านเราเนี่ยแต่แขกเนี่ยกินข้าวอิ่มแล้วไม่สามารถที่จะกินอาหารของเราที่นำมาให้ได้แล้วของนั้นจะตกไปที่ใครโยมถ้าแขกกลับแล้วกลับตัวเรานะโยมน่ะดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่าอุทิศไปแล้วจะไม่ถึงนะถึงแน่นอนแต่ผู้รับจะต้องมีศีล น, นะผู้รับจะต้องมีศีล พอไม่งั้นก็มีอีกพสูตรหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวพูดทุศีลจะปล้นฐานของเราเนี่ยจะพ้นผลของทานเรานะดังนั้นก็ให้เลือกให้แต่เราไม่รู้ใจของผู้นั้นว่าเวลาที่เข า, าเวลาที่เราให้เนี่ยผู้นั้นเป็นผู้มีศีลไหมแต่ถ้าให้กับพระเราสามารถมุ่งตรงต่อสงฆ์ได้ไง เราก็ใช้วิธีการว่าขอถวายข้าวอาหารนี้กับภิกษุลูกนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของสงฆ์นี่เพราะสง์ <สง S 1> ไม่ทุศีล น, นะโยนะดังนั้นเราก็จะได้บุญมากได้ในสงฆ์มากก็จะถึงกับผู้รับโดยสมบูรณ์นะอันนี้ก็มีคำถามต่อไปก็ ถ้าให้ทานแกบุคคลอื่นแต่บุคคลนั้นนำสิ่งที่เราให้ไปทำในสิ่งที่ผิดเราจะได้บุญหรือได้บาปครับอันนี้ก็อยู่ในข้อของ <c oughs> อนุคใหิตตาทานในทานหมวดนะ <c oughs> ห้านะอนุคใหเตตาทานเนี่ยคือให้แล้วด้วยความอนุเคราะห์จริงๆแม้เขาจะเป็นผู้ทุศีลเป็นผู้ที่ใช้นำวัตถุสิ่งของของเราไปทำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยเราก็ไม่ เสียดายไม่ยึดติดวัตถุสิ่งของนั้นให้ด้วยด้วยความไม่ตรณีให้ด้วยความไม่โลภไม่ยินดีในวัตถุสิ่งของนั้นแล้วให้โดยสละขาดนั่นเองนะโยมนะอย่าไปสนใจว่าเราให้ใส่ซองพระป่า20บาทนี้เขาจะนำไปใช้ใจ่ายอะไรก็แล้วแต่หรือให้ร้อยหนึง่งห้าร้อยพันหนึ่งหรือแสนหนึ่งก็แล้วแต่เขาจะไปทาอะไรนั้นเราให้ มุ่งตรงกับสงแล้วถวายเป็นพุทธบูชาแล้วอันนั้นบุญสำเร็จกับเราอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วจะไม่เสียดายไม่เสียดายไม่ยึดติดไม่หวงแหนอันนี้การให้ของเราก็จะบริบูรณนะ์เขาจะไปทําอะไรก็ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเพราะเราได้บุญไปแล้วส่วนเราจะได้บาปนั้น <c oughs> ลักษณะของการให้เนี่ย ถ้าให้ด้วยการพิจารณ า, าทั้งวิจัยวัตถุด้วยทั้งวิจัยผู้รับด้วยพอให้แล้วเนี่ยเขาจะรับได้แล้วก็นำไปทำประโยชน์ได้ถ้าเกิดเราพิจารณาให้ดีเห็นก็เรียกว่าให้ด้วยปัญญานั่นแหละให้เลือกให้ให้แก่ผู้รับที่สมควรเราก็จะไม่ได้ไปส่งเสริมเขาในะส่วนคนให้เนี่ยก็ไม่ได้มีบาปที่จะให้อะไร ที่ที่เกี่ยวกับการให้แล้วเขาจะไปทําอะไรนั้นไม่ได้เกี่ยวกับบาปจะมาตกกับผู้ให้นะส่วนเขาจะไปทําอะไรนั้นเป็นเรื่องของเขาบาปไม่ได้ตกกับผู้ให้ก็ขอเสริมแล้วกันนะครับว่ามันเปรียบเหมือนเราให้มีดนั่นแหละยกตัวอย่างว่ามีดแล้วกันมีดอันเดียวเนี่ย จะทำให้คนคนนึงเนี่ยนะเข้าป่าไปแล้วไม่มีอะไรรอดชีวิตก็ได้แต่ว่าถ้ามันไปอยู่กับคนพาลเขาก็ใช้มีดนั้นไปทาสิ่งที่ไม่ดีมันได้เหมือนกันคือเจตนาที่เราให้นะ่ะถ้าเป็นเจตนาที่ดีก็คืออันนั้นจบแล้วเป็นบุญแล้วแต่ว่าไม่ว่าวัตถุใดใดบนโลกถ้ามันไปอยู่ในมือคนที่มีความคิดเป็นอกุศลเขาก็ใชวัตถุนั้นนะทอาอกุศลได้ ทุกอย่างค้านี้มายกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเออเราให้เงินพ่อแม่แล้วกันก็เป็นหน้าที่ของลูกอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นศีลเหมือนกันที่ให้เงินพ่อแม่ก็สมมติว่าพ่อแม่เราให้ไปเดือนนี้ให้ไปหมื่นหนึ่งละกันแล้วคขาเป็นเล่นหวยเราเราบาปไหมอันนี้จริงๆก็ไม่เกี่ยวกับเราเรามีหน้าที่แค่ ให้เงินพ่อแม่เฉยๆแต่ว่าเราไม่สามารถจะบังคับเขาได้หรอกว่าเราเขาจะเอาเงินนั้นอ่ะไปทำอะไรเพราะว่าเงินอยู่ในมือเขาถ้าเขาชอบเล่นหวยไม่จาเป็นต้องเป็นเงินของเราแบง์พันธ์ของใครเขาไปเล่นหวยได้หมดมันเป็นอย่างนี้นะแต่ยกตัวอย่างอย่างที่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าจำกัดอยู่ว่าของสิ่งนั้น่ะได้รับจากเราต้องได้รับจากเราเท่านั้นแล้วเขาถึงจะเอาสิ่งนั้นไปทาบาปได้ อันนี้เราควรคิดดูอีกทีหนึ่งว่าจะหาวิธีอื่นได้ดีกว่านี้ไหมก็ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะตอบได้เคลียนะแต่ทุกอันถ้าเกิดตอบแล้วมีอะไรที่จะเสริมหรือว่าจะถามต่อก็ถามได้น ะ, ะมีข้อหนึ่งครับถ้าเพื่อนป่วยอยู่จะแผ่เมตตาให้เขาเขาจะได้รับหรือไม่และควรจะช่วยอย่างไรจึงจะเป็นทานนกุศลด้วยได้ ครับเพื่อนป่วยเนี้ยถ้าเกิดเราจะแผ่เมตตาเนี่ยมันมันมันผิดการผิดเวลานะเพราะการแผ่เมตตาต้องแผ่กับคนที่มีความสุขที่มีความสุขแต่คนป่วยเนี่ยเขามีความทุกข์ดังนั้นเราวิธีการแผ่ก็ต้องแผ่กรุณานะยนะแผ่กรุณาเพื่อให้เพื่อนนั้นหายจาก ความทุกข์นั้นหายจากป่วยหายจากไข้นั้นเขาเรียกว่าแผ่กรุณาคือความสงสารปรารถนาให้คนอื่นพ้นทุกข์เห็นคนอื่นเขาได้รับความทุกข์แล้วเราทนอยู่ไม่ได้เรียกว่าสงสารส่วนการแผ่เมตตาควรจะแผ่ไปในกับคนที่เขามีความสุขนั่นแหละอย่างเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์ เ, เพื่อนมิตรสหายนะ หรือแม้แต่บุคคลผู้เป็นกลางๆและสรรพสัตต์ ท, ทั้งหลายหรือแม้แต่บุคคลผู้เป็นศัตรูคู่เวรกันก็สามารถแผ่เมตตาได้แต่ต้องพัฒนาการให้ให้พัฒนาการแผ่เมตตาจากตัวเองไปก่อนต้องมีความรักความปบารถนาดีกับตัวเองซะก่อนจึงจะสามารถแผ่เมตตาไปให้กับพ่อแม่ได้กับพี่น้องกับ ครูบาอาจารย์กับเพื่อนๆกับบุคคลผู้ที่เป็นกลางๆที่เรารู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างเนี่ยหรือบุคคลที่เราเฉยๆอย่างนี้ต้องแผ่แผ่เมตตาไปให้ทุกคนให้มีความรักความปารณาาดีความเอื้ออาทรเนี่ยเหมือนกับรักตัวเองต่อไปก็จะได้มีไม่มีการเบียดเบียนกันนะนี่คือลักษณะของการแผ่เมตตาส่วน การแผ่กรุณาในี่ยปาถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เราต้องการให้ผู้นั้นน่ะพ้นจากบาปพ้พนจากเวรพ้นจากการเจ็บป่วยเราจึงแผ่เมตตาไปโทรไปบอกหรือแม้แต่ไปหานําของไปให้วัตถุสิ่งของนั้นก็เป็นวัตถุทานเราจะได้ทานด้วยประกอบด้วยกรุณา น็่คือให้วัตถุสิ่งของแก่ผู้เจ็บป่วยปารตนให้เขาพ้นจากทุกปารตนพ้นจากความเจ็บป่วยนั้นนี่เรียกว่าเป็นทานประกอบด้วยกะรุณาแต่เวลาที่เราช่วยเหลือเขาแล้วแต่เราช่วยไม่สำเร็จหรือไม่มีความสามารถที่จะช่วยเขาได้หรือเขาประสบเหตุเพศภัยที่ร้ายแรง เราก็อย่าไปเสียใจเพราะการุณามันเป็นบุญมันเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าเสียใจความการุณานั้นก็ไม่ใช่แล้วมันก็จะเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นความเสียใจเรียกว่าโทมนัตมันไม่ใช่การุณาสังเกตดูได้ถ้าเกิดโยมสงสารสุนัขสงสารแมวแต่พอมันเป็นอะไรหรือแม้แต่ญาติพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ย เราสงสารแต่เราเสียใจด้วยแสดงว่านั้นไม่ใช่กรุณาแลยนะอย่าคิดว่าเป็นบุญโยมนั่นเป็นบาปเป็นโทมนนะความเสียใจนะวัตถุสิ่งของที่เรานำไปให้เป็นวัตถุทานนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวขอเสริมนิด น, นึงคือการแผ่เมตตาอย่างนี้สมมติว่าถ้าเราทำบุญอย่างใดอย่างหนึง่งหรือว่านั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เขาไปเนี่ย มันต้องดูกำลังของเราว่ามีกำลังสมาธิสูงขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าการป่วยเป็นโรคเนี่ยมันมีสมุดฐานคือเหตุของโรคมันมีสี่อย่างก็คือกรรมจิตอุตุอาหารอย่างคนเป็นมะเร็งส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะอาหารโดยมากยุคนี้นะอุตุก็อย่างเช่นดินฟ้าอากาศคนเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะเข้าใจว่าอุตุทาไม่ป่วย จิตก็อย่างเช่นโลกทั้งหลายความเครียดก็ทำให้เกิดจากจิตแต่ถ้าสามอย่างนี้มันจะแก้โดยวิธีการทางโลกส่วนใหญ่ก็จะแก้ได้บ้างแต่ถ้าเป็นเรื่องของกรรมเป็นต้นซึ่งอันนี้มันมันพิสูจน์ได้ยากแต่ว่าถ้าถามว่าจะให้เป็นทานอย่างไรก็คือให้เพื่อนคนนะั้นทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เราเรียนรู้มาแล้วว่ามันมีกําลังมากถ้าเขายังพอจะทําไหวแล้วก็ให้เขาอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเขานั่นแหละที่กําลังให้ผลอยู่ในปัจจุบันหรือการเจริญสมาธิการแผ่เมตตาต้องให้เพื่อนคนนั้นเป็นคนแผ่เองถ้ามันเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคนนั้น mm hmm. เขาก็จะเอาแต่กลับคนนั้นเป็นต้น mm hmm. ก็อย่างงี้ก็นับเป็นสาหรับตัวเราแล้วเราได้ธรรมทานไงสอนเพื่อนให้พ้นจาก ความทุกข์ได้ถ้ามันเป็นทางโลกไม่เป็นโรคที่ปกเกิดจากจิตอุตุอาหารก็บอกวิธีเพื่อนไปเยี่ยมเพื่อนแล้วก็บอกวิธีเพื่อนหรือพูดให้เพื่อนสบายใจมันก็เป็นทานเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเรื่องกรรมก็อาตมาก็รู้มุมนึงก็คือมุมนี้แหละก็คือให้ให้เขาทํากุศลให้เขาสมาทานศีลแล้วกุศลเขาจะได้มีกําลังมากก็ให้แผ่ให้กับ เจ้ากรรมในเวรของเขาถ้าโลกนะั้นเป็นโลกที่เกิดจากกรรมจริงนะคนนี้มีสงสัยรวดเดียว6ข้อเดี๋ยวตอบทีละข้อแล้วกันเนาะแล้วก็คิดว่าเป็นเขาเหมือนกันนะลายมือคล้ายๆกันกระดาษสีฟ้าแต่กระดาษสีฟ้านี่จะขอตอบนอกรอบแล้วกันเนาะไม่รู้ใครเป็นเจ้าของก็เดี๋ยวมันจะพักเบรกตอนบ่าย3นะ ดูละลายมือจะเป็นผู้ชายจะยังเด็กๆอยู่นะก็อาจจะเป็นคนนี้เหมือนกันนะก็มีคำถามหกข้อความคิดในการถือศีลที่ถูกต้องคืออะไรครับอีกอีกสองวันนะจะพูดเรื่องศีลแต่ถ้าใจร้อนก็หลังไมฮ ะ, ฮะพ้นทุกคืออะไรทำไมต้องพ้นทุกด้วยมันดียังไง <laughs> อืโยมถ้าโยมยังไม่ได้พิจารณาเกี่ยวกับว่าในชีวิตของเรามันเป็นทุกข์เนี่ยเราจะไม่รู้จักทุกข์เลยเช่นตื่น น, นอนทุกวันอะโยมไม่ขเกียดตื่นเหรอตื่นนอนทุกวันกินข้าวทุกวันไม่เมื่อยเหรอเขี้ยวเนี่ยไม่ทุกข์เลยเหรอ ต้องนอนทุกวันต้องแต่งหน้าทุกวันต้องทำผมเป็นประจำต้องซักเสื้อผ้าต้องเจอหน้าคนนี้มาทะเลาะกันทุกวันต้องด่าต้องว่าต้องทะเลาะกับเจ้าบ้านต้องขับรถต้องใช้หนี้ต้องจ่ายบัตรเครดิตต้องมาเจอเปิดข่าวเจอการเมืองเจอการทะเลาะวิวาโยอมไม่เบื่อบ้างเหรอเนี่ยไม่เบื่อเลย สนุกสนานเนาะดูแล้วก็เพลิดเพลินการใช้ชีวิตเป็นทุกทุกย่างก้าวโยมทุกทุกลมหายใจเขาเลยบอกว่าการใช้ชีวิตเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกขเนี่ยเลยสรุปเลยแมพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าการเกิดนี่เป็นทุกขเพราะมันจะนําความแก่มาให้โยมดีใจไม่แก่เนี่ย ดีใจั้มน่ะดีใจเหลือเกินโหเราแก่แล้วมีมโยมเวลาแก่ก็เอาก้นขึ้นก่อนนะ่ะเวลารุกอะสวยไมโยมเอาก้นขึ้นก่อนเลยปสัสสาวะก็อ่านไม่อยู่แก่เนี่ยยังคิดว่าเป็นความสุขอยู่ไหมเนี่ย ผมข า, ขาวๆก็งอกหนังตึงๆก็เหี่ยวย่นฟันก็หักย่อนทุกอย่างตึงอย่างเดียวแล้วทำไมยังชอบอยู่ละ่ะนี่แหละคือความทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดกว่าจะโตขึ้นมาได้ เป็นเหตุให้คนอื่นทุกข์ด้วยนะโยมนะไม่ใช่ตัวเราทุกข์อย่างเดียวพ่อแม่ก็ทุกข์พี่น้องก็ทุกข์ลุงป้านะอาแถมไปทำร้ายชาวบ้านเขาอีกก็ทุกข์อีกไปประสบอุบัติเหตุทำให้คนอื่นเขาทุกข์ไปทำร้ายคนอื่นทำให้คนอื่นเขาทุกข์ตัวเองก็ทุกข์แล้วก็เวลาตายไปก็ ไปรับความทุกข์ในอบายนะไปเป็นเปรตเป็นนักสืบกายเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์ เ, เดรัจฉานความทุกข์เพราะความโศกดีใจไม่ยอมวันนี้เสียใจเหลือเกินจะมานั่งดีใจหัวล้อได้ไหมทุกข์เพราะความโศกทุกข์เพราะความาปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจนะความพัดพราด ตรงไหนเป็นสุขมากเนี่ยโยมตรงไหนเป็นสุขบ้า ง, ง, ห, างหรือแม้แต่ความทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยไอย้ความสุขจริงๆแล้วเนี่ยความสุขนั้นมีชื่อเรียกว่า <c oughs> สุ ข, ขเวทนาคำว่าสุ ข, ขเวทนาก็จัดรวมอยู่ในทุกขสัจจะเพราะมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเลยรวมอยู่ในทุกขนั่นแหละคำว่าสุ ข, ขเวทนาเนี่ยนะโยม ดังนั้นตรงไหนมีความสุขบ้างสุขเกิดจากสมาธิสุขเกิดจากการให้ทานสุขเกิดจากการรักษาศีลสุขเกิดจากการทำสมาธิสุขเกิดจากการเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาหรือแม้แต่สุขสูงสุดเรียกว่าปรมัาทสุขเนี่ยคือสุขเกิดจากการ ที่พัฒนาใจตัวเองให้ไปสู่น้อมไปสู่อารมณ์ของพนันะิพาลนะเรียกว่าสุขยางถาวรสุขที่แท้จริงเนี่ยเรียกว่าบรมสุขนั่นเองนะก็ดูลายมือแล้วมันดูจะเป็นววสใยอยู่อะก็าเดี๋ยวต้องต้องคงต้องฟังเยอะกว่านี้ต้องถามเยอะกว่านี้ ก็เขาถามอีกว่าศีลข้อ6อถึงข้อ8ถือไว้ทาอะไรถือเพื่ออะไรครับเนี่ยก็ศีลข้อ6ถึงข้อ8เนี่ยก็คือถ้าสำหรับค า, า, ารวาสแล้วก็คือมันเป็นศีนตระกูลเนคขมมะไงเพื่อการหลีกออกจากกรามเพื่อการขัดเกลาวอย่างยิ่งเพื่อเป็นพื้นฐานในการเจริญสมาธิเป็นต้นเพราะว่า เราสังเกตได้ว่าในชีวิตประจำวันของเราที่เป็นคาราวานเนี่ยอาตมาก็เพิ่งเป็นคาราวานมาไม่นานเนี่ยคือบาปของคนเราเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยสูญเสียไปกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระของชีวิตเนี่ยโดยมากเลยเนี่ยนอกจากการทามาหากินแล้วก็คือข้อ6เป็นต้ น, นตอนเนี่ยเราทางานมาก็คือสมมติเาเป็นพนัก ง, งานออฟฟิศทำา8โมงเช้าถึงหโมงเย็น 5้โมงเย็นเราก็มีความคิดแล้วว่าเราจะไปกินอะไรดีเพื่อจะได้รู้สึกดีกับตัวเองว่าได้เงินมาแล้วได้ใช้ได้กลบทุกที่มันถูกบีบรัดจากเจ้านายหรือจากอะไรก็ตามแล้วเราก็ใช้เงินไปกับอาหารมื้อเย็นเนยเยอะด้วยแล้วอาหารมื้อเย็นเนี่ยก็ทำให้เราไปเสียเวลาบนรถถนนบนถนอนอีกเป็นต้นแล้วก็เสียเงินมากกว่าที่ร่างกายที่ต้องการจาเป็นอีกเยอะ เรามักจะกินเกินกินเกินแล้วก็เป็นโรคแต่ในขณะวันนั้นที่กินเกินปุ๊บก็จะเริ่มอึดอัดพออึดอัดปุ๊บก็ต้องไปหากิจกรรมนันทนาการประเภทอื่นอีกมีคาราโอเกะเป็นต้นเพราะมันกลับไปนอนมันก็นอนไม่หลับแล้วมันกระสับกระส่ายเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่เป็นอากุศลเนี่ยเกิดจากการกินข้าวเย็นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากก็คือจริงๆคือหลังเที่ยงแต่ว่าถ้าพูดในแนวค า, ารว่าก็ข้าวเย็นนั่นแหละหรือบางคนก็มีมื้อที่4 เป็นต้นส่วนข้อ7ก็คือการร้องราทําเพลงอะไรต่างๆหรือว่านาฏนาการเนี่ยทุกประเภทก็ต่อเนื่องจากข้อเมื่อกี้เนี่ยโดยมากเนี่ยมันมาอยู่ข้อ7เพราะมันมาหลังจากข้อ6พอคนมันถ้าเราไม่กินอะไรเนี่ยแล้วเรากายเราจะเบากิเลสเราก็จะไม่ค่อยฟูเท่าไหร่ไหมฟีฟีบหน่อยออข้อเจ็ดก็เหมือนการเป็นอะไรที่ ทำให้ชีวิตคนเราเนี่ยเสียเวลาไปค่อนข้างจะเยอะการแต่งตัวการไปดูหนังการฟังเพลงคือบางทีเนี่ยก็ยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าในชีวิตของคารวาถ้ายังมีการที่นลน่นนมาหากินเนี่ยการพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยคือบางทีมันต้องมีเหมือนกันนะไม่ใชไ่ไม่ได้เลยนะการฟังเพลงหรือการอะไรพวกนี้คือแต่ว่าถามว่ามันมีโทษอยู่ไหมมันมีโทษปนอยู่ด้วยแต่บางทีมัน เคียดเกินไปมันก็ไม่ไหวก็ยอมรับว่าคือชีวิตการทํามากินทั่วนี้มันค่อนข้างจะลําบากก็มีได้บ้างแต่ก็ถ้าถามว่าถ้าเปรียบเทียบกับนักบวชแล้วอันนี้ก็เป็นอุปสรที่ทําให้เสียเวลาชีวิตไปค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันส่วนศิ้ข้อ8ก็เหมือนกันก็เกี่ยวกับการนอนก็นี่แหละคนเราก็จะวนอยู่แค่นี้ถ้ามันไม่ได้สองข้อนั้นมันก็มาข้อนี้บางคนชอบนอนนอนเยอะ อก็คือไม่อย่างนั้นเนี่ยชีวิตของเราจะวนเวียนอยู่กับการปนเปอรทวารทั้งหกตาหัวจมูกลิ้นกายใจแล้วก็กายอย่างเดียวทั้งที่ความจริงตัวที่บรรดาลความสุขความทุกข์ของเรานะ่ะมันคือตัวปัญญาหรือตัวความฉลาดทางจิตใจนั่นเองซึ่งเราไม่เคยได้ออกกําลังจิตใจกันเลย เราลองวนเมื่อกี้ที่ท่านมาหาพูดได้ฟังว่าชีวิตวันหนึ่งเราทำอะไรบ้างจริ ง, รงๆเราปนเปิดแต่กายอย่างเดียวแต่กายเนี่ยเป็นสิ่งที่บังคับได้ยากที่สุดบังคับไม่ได้เลยแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์มากด้วยไม่ใช่เป็นตัวที่บรนดาลความสุขก็คือสีลข้อหข้อเจ็ข้อแ8ดเนี่ยมีเพื่อลดละเลิกกิจกรรมพวกนี้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องโอวาทปาติโมข้อหนึ่ง หยุดทาบาปก่อนแล้วความคิดที่เป็นบุญมันถึงจะพอเกิดขึ้นมาได้บ้างเพราะจิตมันเลิกฟุ้งซ่านนะระดับหนึ่งที่มาถือศีลข้อ6กข้อเจ็ดข้อ8ก็เพื่ออย่างนี้แหละนะท่านมหามีอะไรเสริมมครับข้อต่อมาที่ว่าผิดศีลคืออะไรบาปความอยากความรู้สึกด้านลบความชอบความระแวงหรือเปล่าครับก็ จริงๆนะก็ตอบคร่าวๆแล้วกันไหนๆพอดีพูดมาแล้วศีลนี่จริงๆโดยการละเมิดศีลเนี่ยเขาหมายเอากายกับวาจาโดยมากแต่จริงๆแล้วบาป ท, ที่เกิดทั้งหมดมันมาจากจุดสั่งการก็คือใจพอเราระงับความหยาบทางกายกับวาจาได้กิเลสที่มันเคยปะทุออกมาระดับมากๆมันก็เริ่มเบาบางลงพอจะมีวิธีขัดเกลได้บ้างอย่างเช่นสมาธิ การข่มนิวรณ์เอาไว้ก็คือถามว่ามันบาปไม้มันก็บาปนั่นแหละแต่ว่ามันผิดศีลโดยตรงไหมมันก็ไม่ผิดแต่จุดมุ่งหมายของศีลจริงๆก็เพื่อด้านจิตใจนั่นแหละการมีสติคือการรับรู้ในสิ่งที่ทำใช่หรือเปล่าครับอันนี้เกี่ยวกับการปฏิบัตินะครับคาว่าสตินะโยมนะ สติเนี่ยเขาสามารถะระลึกได้ในสิ่งที่ทำคำที่พูดได้แม้ยาวนานธรรมชาติของสติสตินะเขาจ ะ, ะระลึกได้ความะระลึกรู้ะระลึกตัวอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ะระลึกรู้ตัวเนี่ยคือะระลึกได้ละเอียดะระลึกได้ละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทานเราทำไว้ที่ไหน ทำเมื่อไรทำกับใครนี่คือลักษณะของสติหรือแม้แต่การรักษาศีลรักษามากี่ครั้งรักษาที่ไหนรักษาเมื่อไรรับกับใครก็จะจําได้นี่เรียกว่าสติ น, สนสตสตีส่วนใหญ่เรามีสติหรือเผลอสติยงส่วนใหญ่เราเผลอสติเพราะเราเระลึกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หรือแม้แต่ทําไว้แล้วเนี่ย เราก็ไม่เคยระลึกกลับมาระลึกถึงทานหรือศีลหรือภาวนาที่เราเคยทำไว้ตั้งแต่อดีตเราเลยจึงเราจึงไม่สามารถที่จะร ะ, ะลึกกลับไปได้เพราะว่ามันถูกทับถมด้วยชีวิตทับถมด้วยสังคมทับถมด้วยกิเลสถูกทับถมไปเรื่อยๆทับถมไปเรื่อยๆดังนั้นเวลาที่เรามาคิดไข้ควรเราจึงคิดไม่คข่ออก ว่าเราเคยทำบุญไว้ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะดังนั้นธรรมชาติของสติเป็นบุญขับรถไปนะขับรถไปแล้วก็มีความระวังตัวอย่างดนะีอันนี้เรียกว่าสมาธินะสมาธิตั้งมั่นเป็นสมาธิที่ขับรถไปแต่ถ้าไม่มีสติกำกับก็จะเผลอ ต้องมีสติกำกับที่บอกว่าขับรถอย่างมีสติเนี่ยความจริงแล้วที่ตั้งมั่นคือสมาธิแต่ที่ตัวกำกับก็คือสติสติคอยกำกับว่าให้ระลึกนะว่าทางนี้เลี้ยวซ้ายทางนี้เลี้ยวขวาทางนี้มีตำรวจทางนี้มีนูน่นมีนี่เนี่ยสติก็คอยระลึกได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องระวงังอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องหยุดต้องเบรกหรือต้องขับช้ า, ชา กสติก็จะระลึกรู้จนชำนาญและสติที่ระลึกส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของบุญกุศลนะถ้าลึกในในในเรื่องของของเหตุผลปกติเนี่ยจะจะจะไม่ไม่เป็นบุญแต่ถ้าเราระลึกถึงสิ่งที่ทาคำที่พูดเนี่ยที่เป็นเรื่องของทานเรื่องของสีเรื่องของภาวนาสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสติ ต้องเป็นเรื่องของบุญด้วยเป็นเรื่องของกุศลด้วยถ้าเป็นเรื่องของบาปไม่เรียกว่าการใช้สติไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เรียกว่าการมีสติที่เราลึกถึงบาปนะมีอะไรเสริมไก็ข้อต่อไปเลยก็ได้ฮะจะมันจะขยายความข้อเดิมทำไมต้องทำทุกอย่างช้าๆด้วยครับ ช้าไปไม่เสียเวลาล่ะครับคงหมายถึงการขยับอิริยาบถอะไรพวกนี้ทำไมต้องทำช้าๆด้วยปกติแล้วคนเราเนี่ยจะเผอสติได้ง่ายดังนั้นที่ที่มาให้ทำช้าๆก็เพื่อให้สำรวมสตินั่นเองแต่วิธีการปฏิบัติเนี่ยเขาเน้นหนักไปทางที่นามธรรมานะเดี๋ยวต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเน้นหนักที่นามธรรมาไม่ใช่ ที่รูปธรรมเป็นสำคัญแต่เป็นที่นามาทำให้เราปิดบาปไม่ให้เข้าสู่ใจไม่ให้โลภโทสะโมหะมานะทิฐิมันเข้าสู่ใจนั้นเป็นการปฏิบัติเพื่อเพื่อสํารวมระวังใจไม่ให้เกิดบาปเมื่อไม่เกิดบาปใจที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือมีสมาธิตั้งมัน่นก็จะคิดถึง กุศลธรรมที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เช่นกุศลธรรมที่เป็นรูปอภปถมชาญทุติยชาญตติยชาญเจตวจุธาญพวก น, น, น, น, น, นี้หรือแม้แต่การเจริญวิปัสนาก็ต้องใช้กุศลธรรมที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นการที่เรามาเดินช้าๆฝึกขัดกินช้าๆก็เพื่อให้สัมรวมระวังให้สติได้ทำงานอย่างอย่างเต็มกำลังของเขา แต่ความจริงแล้วทำให้เป็นธรรมชาติก็สามารถสติเกิดขึ้นได้ไม่จาเป็นต้องช้าๆเราก็เลยไปมองที่เป็นภาพลักษณ์เป็นรูปแบบเท่านั้นว่านั่นคือการปฏิบัติแต่ความจริงแล้วเรากำลังสำรวมกายวาจาใจทั้งหมดโดยเน้นหนักที่ใจเพราะเมื่อใจไม่มีกิเลสบาระกุศุลกรรมทางกายกับทางวาจาก็ไม่เกิด นั้นเวลาที่เราเดินถ้ากําจัดกิเลสยังไม่ได้หรือไม่สํารวมกิเลสหรือยังไม่มีสติสติเป็นตัวบุญใช่ไหมโ ย, ยมแต่ถ้าไม่มีสติเวลาเดินก็เดินด้วยการเผลอสติบาปก็เข้าแทรกแม้จะเดินช้าเดินเร็วไม่เป็นประมาณโยมบาปเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นหรือแม้แต่การนั่งสมาธิการกําหนดดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยแต่ก็ยังมีบาบเอาุโสลกรรมเข้าแทะ แกนะมีการง่วงเหงาเศ้าซึมในขณะนั้นบาปเกิดไม่มีสติโยง ห, หรือแม้แต่ขนาดเดินย่างไปแต่ละก้าวช้าๆหรือกินแบบช้าๆเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้สำรวมนะสำรวมใจเพื่อปิดบาปแล้วไม่มีสติแล้วบาปก็เกิดขึ้นได้จะกินคำไหนก็อร่อยไปหมด ให้เน้นหนักที่ใจปิดบาปทางใจนะเออถ้าถ้าอุปมา ก, ก็เหมือนถ้าถ้าเราปฏิบัติเนี่ยให้ปิดห้าทวารใช่ไหมโยมปิดทางตาทางหูไม่ใช่ถึงถึงจะหลับตาหรือลืมตาก็ตามชื่อว่าเราไม่ใส่ใจเนี่ยเรียกว่าปิดหู ปิดไม่ได้อยู่แล้วนะแต่เราไม่ใส่ใจนั่นเองไม่ใส่ใจก็ชื่อว่าปิดปิดทางทวารหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่คือเราไม่ใส่ใจมันแต่เราใส่ใจเฉพาะใจเพื่อสำรวมระวังในกิเลส ท, ที่จะเข้ามาทางกายก็ตามได้อากาศเย็นๆเราก็ไม่ยินดีได้อากาศร้อ น, อนๆเราก็ไมนะ่ไม่ขัดเคือง เรียกว่าสำรวมสติให้อยู่กับบุญกุศลไม่ให้เผลอสติเราจึงครูบาอาจารย์ต่างๆก็เลยแนะนำให้ทชาช้าๆก่อนแต่เมื่อไหร่ที่โยมทาช้าแต่ก็ยังไม่เข้าใจก็โมหะเข้าแทรกก็จะเป็นบาปอยู่ดีนั่นเองนะก็ขอเสริมนิดหนึ่งก็คือจริงๆที่เขาต้องการทั้งหมดก็คือจูนยังไงให้มันมาจุดที่มันกุศลมันเกิด มันก็สวดมนต์สวดมนต์บางคนสวดชาานน้าช้ายันยันอกุศลก็เกิดขี้เกียจสวดมั่งยิ่งสวดยิ่งเส็ ง, สงมั่งเพราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ที่เขาบอกให้ช้าช้าก็เพราะว่ายุคนี้เราชอบทำอะไรเร็วๆเพราะชีวิตมันเร่งรีบแค่มาจูนให้มันจุดที่กุศลมันเกิดเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องทำชาช้าก็คือทาให้เป็นธรรมชาตินั่นแหละ เดี๋ยวมาเข้าถ้าไม่มีคำถามจะเข้าเนื้อหาต่อนะครับต่อไปนะั้นก็จะแบ่งวัตถุธาตุหรือว่าอามิสสถานวัตถุธานอามิสสถานหรือทยธรรมพวกนี้ก็ก็จะมามาทำความเข้าใจกันว่าทยธรรมมีอะไรบ้างนะอยากให้สมบเรณ์ช่วยอธิบายเรื่องทยธรรมนะว่าเป็นอย่างไรไทยธรรมก็เร่ ง, ง่ง่ายๆก็คือวัตถุนั่นแหละ ของที่จะให้ทานนั่นแหละก็มันจะแบ่งเป็นในพระไตรปิฎกจะแบ่งเป็นสามในนะก็ในพระวินัยก็เขียนไว้อย่างหนึ่งในพระสูตรเขียนไว้อย่างหนึ่งในพระพิธรรมเขียนไว้อย่างหนึ่งถ้าในวินัยก็คือง่ายที่สุดก็คือว่าวัตถุที่จะให้ได้ก็คือปัจจัย4ี่นั่นเองก็คืออาหารแล้วก็ยารักษาโรคเสนาสนะ เืองนุ่งหมก็คืออย่างนี้นปัจจัยสี่คือสิ่งที่จะให้ทานได้ในพระสูตรในพระสูตรมี10บอย่าง ม, ม, มีมีใครพอตอบได้ไหมมีใครพอเคยเรียนมาแล้วมั้งรู้บ้างไหมเอ่ยมีรางวัล น, นะถ้าตอบได้ตอบได้8ข้อก็ยังดีก็ไม่มีเนาะ ลองดูหน่อยไหมภาสิทธคนญี่ปุ่นเขาบอกไว้ว่ามันไม่สาคัญว่าคุณทำถูกหรือทำผิดแต่ถ้าคุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นคนแรกรางวัลเกียรติยศทั้งหมดเขาจะตกอยู่กับคุณในฟั น, นาสิตของคนญี่ปุ่นนะเราก็สังเกตได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่จเจริญจริงๆแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆก็จะมาที่ญี่ปุ่นก็คงจะมาความคิดพื้นฐานนี้แหละ นะมีใครจะลองดูไหมง่ายๆเราลองคิดขึ้นมาดูว่าอะไรบ้างที่เราให้ทานได้นะก็มีสิบอย่างนะก็คือข้าวข้าวก็รวมอาหารทุกประเภทนั่นแหละขนมจะรวมอยู่ในข้าวอะไรที่เป็นของเคี้ยวรวมอยู่ในข้าวหมดผักผลไม้แล้วก็น้ำแล้วก็ยานพาหันะ ที่พักเครื่องนุ่งหม่มดอกไม้ประทีบของหอมเครื่องรูป้ายยารักษาโรคนะนับไปคร่าวๆสิบแล้วมั้งครับเดี๋ยวท่านมหาจะขยายความอะไรไ ห, ไหครับแต่ละแต่ละข้อว่ามีอะไรบ้างเรื่องของปัจจัยสี่นะได้แก่จีวอนจะเป็นผ้า ผ้าเครื่องนุ่งห่มทุกชนิดนะจะทาแบบไหนก็ได้แม้จะเป็นเปลือกไม้เปลือกไม้สมัยก่อนเขาใช้ผ้าเปลือกไม้นะโยนะผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าป่านพวกนี้นะหรือจนไปถึงผ้าที่ละเอียดผ้าจากแคว้นกาสีผ้าจากแคว้นกัสมีละคันทาละผ้าจากเมืองจีน ก็แล้วแต่นะไม่เป็นผ้าแบบไหนก็ตามส่วนอาหารบิณฑบาตนะได้แต่ได้แก่ที่เรียกว่าโภชโพชนียะได้แก่ข้าวสุก ข, ขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อของเคี้ยวนะไม่ว่าจะเป็นปุพานาชาติอปรณชาติปุพานาชาตก็มีเจ็ดอย่างเป็นข้าวเป็นชนิดของข้าวถ้าเป็นอปรณชาตก็เป็น ประเภทของทัวอย่างงี้นะอันนี้คือลักษณะค่าของอาหารบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่อาศัยทุกชนิดนะกุฏิวิหารลานเจดียเรือนโพสถานที่จงกรมโรงอุโบสถสารการป ร, รียนสารธรรมสังเวชหรือโรงเรียนพระป ร, ะริยติธรรมที่ท ที่ดินนะที่ธรณีสงที่ถวายนะห้องน้ำสระน้ำวัดวัดป่านะคนไม้เรือนว่างคนไม้นะถวายที่แล้วมีคนวไม้พระก็สามารถที่จะไปอยู่ที่คนไม้นั้นได้หรือแม้แต่เทซายลงทำเป็นสถานที่เดินจงกรมให้พระนี่เรียกว่าเสนาสนะหรือแม้แต่สร้างกระสอบหลังเล็กๆ แต่พระสามารถที่ไปอยู่ได้ก็ชื่อว่าเสนาส น, านะการให้เสนาสนะหรือให้วิหารธานเนี่ยชื่อว่ามีชื่อว่าให้วัตถุทานทุกอย่างเพราะอะไรเพราะว่าที่เราทำเนี่ยวิหารธานเนี่ยหรือกุติเนี่ยเมื่อเราให้แล้วเนี่ยเรายังมีโอกาสให้สิ่งอื่นได้อีก มาให้ข้าวให้น้ําให้น้ําปานะให้ผ้าจีวอให้วัตถุสิ่งของเต็มเลยก็เลยรวมลงจึงมีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากนะการให้วิหารทานเนี่ยเป็นเหตุเป็นศูนย์รวมการให้ทานทุกอย่างนะในสมัยก่อนแต่สมัยนี้ก็ให้เฉพาะกุฏิเท่านั้นนะไม่ได้ดูแลสมัยก่อนเขาดูแลจนพระบรรลุพระรหันเลยนะในกุฏิหลังนั้นนะ่ะ เขาดูแลจนพระได้บรรลุจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากดังนั้นเวลาที่เราให้เราก็ควรดูแลด้วยดูแลไม่ต่างอะไรกับการขายโยมการขายก็ต้องมีมีเซอร์วิสมีการดูแลมีมีการบริการหลังการขายการให้ทานก็เช่นเดียวกันโยมไม่ใช่ว่าให้แล้วปล่อยทิ้งปล่อยว้าง ให้ทิ้งแล้วก็ไม่เหลียวแลไม่ดูแลแม้แต่ทานที่เราให้ก็ยังไม่เคยมาคิดเนี่ยมันน่าแปลกใจมโยมให้แล้วก็ให้ไปก็แล้วแต่จะไปทำอะไรมันเหมือนทิ้งทิ้งคว้างควางแต่การให้ให้สละขาดนะ่ะดีนะแต่บุญที่จะเกิดขึ้นภายหลังเราควรคิดนะเราควรจะคิดเพิ่มเพราะการคิดถึงเรื่องบุญ ก็เหมือนกับการจุดประทีปเรามีเทียนเล่มหนึ่งแล้วเราก็ต่อกับเพื่อนต่อ1ิบคนก็สว่างขึ้นต่อร้อยคนต่อพันคนก็สว่างสวยการคิดบุญก็เช่นเดียวกันเมื่อคิดครั้งหนึ่งบุญก็เกิดขึ้นมหาศาลทำไว้นานแล้วก็คิดขึ้นมาทำไว้เมื่อวานก็คิดขึ้นทำไว้วันนี้ก็คิดขึ้นมาอีก บุญก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าอัปปะเจตน า, นาคือหลังการให้หลังการให้บริการหลังการให้เราก็ไปดูแลด้วยก็ได้บุญเพิ่มขึ้นอีกกลับมาก็คิดอีกถ้าคิดนานๆเข้าเรียกว่าอัปปะประเจตนาเลยคิดซ้ำไปซ้ำมาจนพัฒนาความคิดนั้นเป็น กรรมฐานได้เรียกว่าจาคานุสติเป็นสมาธิขึ้นมาเห็นหเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งนั้นโยมพัฒนาการให้สู่การพัฒนาเรื่องศีลแล้วก็พัฒนาสู่เรื่องสมาธิได้หรือสมถาะาได้เหลือ15นาทีนะต่อไปไทธยธรรมที่เป็นที่มาในพระอภิธรรมนะเราจะเห็นว่าในในพระสูตรในสิประการ แต่ใน้าบิษิธรรมนี่ครอบคุมหมดเลยเช่นเมื่อเราให้วัตถุสิ่งของเช่นให้ข้าวเนี่ยในข้าวก็ยังมีสีมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสแล้วก็มีโอชาหรือวิตามินแล้วยังมีธาตุมีทั้งหมด8อย่างเลยมีดินน้ำลมไฟมีสีกลิ่น รสโอชาแล้วก็มีโอชาก็คือวิตามินนะในอภิธรรมเนี่ยให้เรารู้ถึง <c oughs> ปรมัตทธรรมไปด้วยเราจะได้ไม่หลงทั้งบัญญัติส่วนใหญ่เราะจะจะเข้าใจเฉพาะบรรญัติเท่านั้นเราจึงให้จึงให้เกี่ยวกับบัญญัติเท่านั้นเราจึงไม่รู้เกี่ยวกับปรมัตทธรรมเลยปรมัตทธรรมคือความจริง ว่าวัตถุสิ่งของทั้งหมดเนี่ยมันคือท้าสีนะมันคือสีนะมันคือกลิ่นนะมันคือรสมันคื อ, อวิตามินนะเนี่ยให้เราเข้าใจไปด้วยนี่เรียกว่าทำแบบเข้าใจหรือแม้แต่ในตัวเราเองนะั่นนะเราก็จะไม่ได้ไม่ไปยึดว่านั่นคือตัวเราอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นนำมารมไปด้วยไปรูปประทำไปด้วยไหม ท, ไนะทุกครั้งที่เราให้ถ้าเราเข้าใจถึง ปรมัต ธ, ธรรมนะว่าในวัตถุสิ่งของเนี่ยประกอบด้วยประมัต ธ, ธรรมหรือความจริงแปดประการหรือแม้แต่บุคคลผู้ให้ก็มีทั้งรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยทำให้เราให้ด้วยความเข้าใจไม่ไปยึดติดว่านั่นเป็นแก้แหวนเงินทองเราก็จะได้ไม่ยึดติดนี่คือสภาวธรรมเท่านั้นที่ผ่าน มาหาเราแล้วก็จะไปหาคนอื่นแค่นั้นเองนะเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการามาใช้ประโยชน์ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละดังนั้นถ้าเรารู้ถึงสภาวะธรรมด้วยรู้ถึงปรมาติ์ด้วยเราจะได้ไม่ยึดติดแล้วมันก็จะเป็นปัจจัยแห่งการไปเจริญวิปัสสนาได้ด้วยนะถ้าเราเข้าใจเกี่ยวกับปรมาติธรรม ดังนั้นในพะพิธรรมก็เลยเกล่าวถึงวัตถุทานว่าเป็นทั้งสีมีสีนะมีเสียงมีกลิ่นมีรสมี <c oughs> โผล่ทพะคือถูกต้องสัมผัสได้เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแล้วก็มีธรรมอารมณ์ด้วยธรรมอารมณ์ได้แกเ่เกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องเจตสิก เรื่องรูปธรรมที่เหลือจากตรงนี้นี่ย ก, ก็เราก็จะรู้มากขึ้นกว้างขึ้นเกี่ยวกับการให้ทานนะไม่ไม่อยู่เฉพาะบัญญัติเท่านั้นเรียกว่าให้ด้วยความไม่หลงในบัญญัติและไม่หลงในปรมัตดด้วยเราก็จะรู้ถึงสองส่วนทำให้ความเข้าใจของเราเนี่ยมีมากขึ้นในการให้ทานถ้าเรารู้ <c oughs> เกี่ยวกับ ส่วนของเป็นที่เป็นความจริงไปด้วยนะนี่ลักษณะของปรมัต ธ, ธรรมความจริงแล้วในในวัตถุสิ่งของที่เราให้มีธาตุดินน้ําลมไฟนี่นะธ <c oughs> าตุดินถ้าเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับธาตุดินทั้งในภายในและภายนอกทั้งในภายในและภายนอกธาตุดินในตัวเราก็มีธาตุดินในภายนอกก็มี ธาตุดินในตัวเราเนี่ยไล่ตั้งแต่ผมขนฟันเล็บหนังเอ็นกระดูกเนี่ยไปจนถึง20นะไปจนถึงมันสมองเนี่ยมี20ประการเรียกว่าธาตุานะาดินภายในธาตุดินภายในที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าธาตุดินเราก็จะได้เวลาเราให้เราก็จะได้ไหมนะไม่ยึดว่านี่เรากำลังให้ แต่นี้เป็นสภาวะธรรมที่กําลังเป็นไปอยู่ในขณะที่ให้นั้นสภาวะธรรมธาตุดินกําลังเป็นไปอยู่ในผมเส้นหนึ่งเนี่ยมีครบเลยนะมีครบมีธาตุดินในผมเส้นหนึ่งนะมีมีส่วนประกอบเยอะนะมีทั้งธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมมีทั้งกลิ่น มีทั้งสีมีทั้งเย็นร้อนอ่อนแข็งเลยในผมเส้นหนึ่งดังนั้นถ้าเราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับปรมาท ธ, ธรรมทำให้เราให้อย่างเข้าใจธาตุดินยี่สิบธาตุน้ำสิบสองธาตุน้ำในภายในก็มีในภายนอกก็มีธาตุน้ำได้แก่ <c oughs> น้ำดีเ็ษน้ำหนองน้ำเลือดเหงื่อมันค้นน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำลายน้ำมูกปัสสาวะน้ำมันไข่คอพวกนี้เป็นเกี่ยวกับน้ำที่อยู่ในภายในถ้าเรารู้เราเข้าใจเกี่ยวกับการให้เราก็เข้าใจว่ามันมีน้ำนะมันมีไฟที่เป็นสภาวะธรรมเราจะไม่ได้ไม่ไปยึดติดว่านี่เราให้ แล้วในวัตถุสิ่งของก็มีน้ําอยู่ด้วยดังนั้นเราก็จะไม่ยึดติดว่านั่นคือของของเรานั่นคือทรัพย์สมบัติของเรานั่นนั่นคือลูกนั่นคือภรรยานั่นคือสามีนั่นคือทรัพย์สมบัติแต่นั่นคือปรามารัตถธรรมไปด้วยเมื่อเราเข้าใจสองส่วนปรามาัตตบัญญัติเราก็ไม่หลงปรมัตตเราก็ไม่หล ง, าาลงบัญญัติก็เข้าใจปรมัตตก็เข้าใจดังนั้นเรียกว่าการให้แบบมี ปัญญาประกอบด้วยหรือแม้แต่การให้แล้วรู้ผลของกรรมเช่นให้ข้าวได้อะไรได้อายุได้วันนะได้สุขไะได้ปรญญาให้น้ำนะดับความกระหายคือกิเลสให้ผ้านะทำให้เรามีสัมผสัสที่อ่อนนุ่มทำให้เราเป็นผู้มีประกอบด้วย ฮิริความละอายแก่ใจโอดตะปะความเกรงกลัวต่อบาปเป็นต้นเนี่ยชื่อว่าเราให้ด้วยปัญญาเพราะเรารู้กรรมและผลของกรรมนะให้ด้วยศรัทธามุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้านะใหนะ้ด้วยคิดว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนทำกรรมใดไว้จะต้องได้รับของผ ล, ผลของกรรมนั้นเรียกว่ากรรมมัสกา สมัมมาทิฏฐิกรรมสักตาปัญญานี้ให้ด้วยปัญญาเมื่อเรารู้ทั้งปรมาทั้งวัญญัติรู้กรรมและผลของกรรมรู้เชื่อมั่นในการตัดสู่ของพระพุทธเจ้าการให้แบบนี้จึงเป็นการให้ที่สมบูรณ์การให้ที่บริบูรณ์อันนี้เรียกว่าทายาทธรรมที่เป็นแบบอภิธรรมก็สรุปนะก็คือ ทานเนี่ยเรามองในมุมมองของอาตมาแล้วกันมองคือมองได้สองแง่ว่าทำไมเราจึงควรทำทานก็คือผลในด้านรูปธรรมก็อย่างหนึ่งอย่างเช่นว่าเออทำไมปีปีหนึ่งเรามายุพุทธได้กี่คอรสทำไมเราถึงชีวิตเราถึงมีเวลาหยุดอยู่ได้แค่เจ็ดวันสามวันบ้างกว่าเราจะลางานได้กว่าเราจะต้องฝากงานให้คนอื่น เอราทาไมถ้าการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดีจริงทำไมเรามีเวลาอยู่แค่นี้เพราะอะไรเราทาไมชีวิตเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยทำไมเราต้องทำแต่งานแล้วทำไมเวลาเรามันเหลืออยู่แค่นี้คำตอบก็คือเพราะว่าในความคิดขออตามาตอนอราตา ม, มาศึกษาเรื่องทานเองเนี่ยไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยสนใจแต่ว่าทานทำให้เรารวยนั่นแหละ ประเด็นก็คือมีคำตอบอยู่แค่นี้พอรวยปุ๊บปัญหาหลายๆอย่างที่มันจะกระทบกระทั่งกับเรื่องศสีลนมันจะน้อยลงมันลอยตัวไงมันชิวๆไงชีวิตมันเลยเบียดเบียนน้อยเพราะว่าทานมีกำลังแล้วให้ผลเป็นทรัพย์อีกอย่างหนึ่งก็คือด้านนามธรรมาคือศสีนเนี่ย มันเป็นการเจริญกุศลที่เราเกี่ยวข้องกับบุคคลและวัตถุทํายังไงก็ได้เราเดินไปเนี่ยเห็นอะไรก็ตามได้ยินอะไรก็ตามกุศลเกิดได้ตลอดอย่างนี้เขาเรียกคนมีศีลแต่ว่าพื้นฐานมันต้องมาจากทานก่อนการศึกษาเรื่องของทานมันจะทำให้กรรมฐานเดินได้ดีเพราะว่าไม่ว่าเราเห็นอะไรเนี่ย กุศลมันเกิดอยู่ตลอดคนที่มีทานอยู่ในจิตใจเริ่มจากการสละสิ่งหยาบๆเช่นวัตถุต่อไปเนี่ยเขาก็จะเป็นคนมีใจดีขึ้นพอมีใจดีปุ๊บทำทานบ่อยๆรู้ความประสงค์ของคนรู้ว่าสิ่งไหนควรแก่ตอนไหนอะไรเหมือนนายช่างผู้ฉลาดหรือเหมือนสถาปนิกทำไมเขาเดินเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งเขารู้เลยว่าพื้นที่ตรงนี้ควรทาอะไรเอาอะไรไว้ตรงไหนตัวเราก็เหมือนกัน ไม่ว่าเจอสถานาการณ์ไหเรารู้ว่าเราจะไปทําอะไรแล้วกุศลมันจะเกิดแล้วเหมาะสมแก่สถานาการณ์นั้นๆอันนั้นเรียกว่าทานเป็นต้นอย่างเช่นตอนนี้เห็นหน้าตมาก็การให้ทานอย่างหนึ่งก็คือยิ้มให้ตมาเฉยๆมันก็เป็นทานแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ยิ้มอย่างหนึง่งใช่ไหมพอยิ้มให้ตมาปุ๊บเสร็จเราก็มีกําลังใจพูดทําให้มันเป็นสถานาการณ์ที่ดี ทำให้ธรรมทานนั้นลื่นไหลเหมือนกับว่าเราได้ให้ธรรมทานอย่างนี้เป็นต้นแล้วเวลาเราเดินทานเป็นมากๆแล้วเห็นหน้าใครเราก็ปามโมดมันเกิดง่ายมารู้สึกดีไปหมดไม่มีความหวงอะไรไว้อย่างสักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้กูสลตรจิตมันจะเกิดได้อย่างต่อเนื่องอย่างนี้แหละที่เป็นจุดประสงค์ของทานที่เป็นไปเพื่อศีลเป็นไปเพื่อสัมมาปฏิบัต ก็ขอฝากไว้ว่าทานเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยในมุมมองของอาตมาเองแล้วกันเพราะว่าอาตมาเคยทำมาแล้วก็เลยพอจะพูดได้นะก็ในถ้าให้ตามาสรุปก็คร่าวๆก็มีสองอย่างนะท่านมหามีอะไรสรุปไหมครับวันนี้ได้ พูดหรือเกินเกี่ยวกับเรื่องของทานอธิบายเรื่องของทาน <c oughs> มาพอสมควรโยมก็คงจะมองเรื่องของทานเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญในการที่จะเป็นพื้นฐานที่จะนํามาปฏิบัติสมถะกรมมฐานและวิปสัสสนากรมมฐานอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่มัน มันไม่ควรจะทาเพราะถ้าทานไม่หนาแน่นจริงๆเนี่ยเจริญกรรมาฐานเมื่อไหร่ก็ไม่อยู่นะเพราะมันไม่มีที่พักโยมสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของกุศลธรฐรมล้วนๆดังนั้นกุศรรลธรรมจะไม่จะไม่มีที่พักจะไม่มีที่พักถ้าเกิดโ <c oughs> ยมทำไปแล้วเหนื่อยเนื่อยเบื่อเบื่อเนี่ยมันก็จะทำให้สมาธิ ก็จะตกอยู่เรื่อยๆแล้วยิ่งไม่ทําต่อเนื่องสมาธิต้องทําต่อเนื่องเลยนะต้องต่อเนื่องต้องทํานานทําหลายชั่วโมงอย่างเช่นที่จะมาไปปฏิบัติเนี่ยจะพาะนั่งสมาธิเฉยๆเนี่ยสิบชั่วโมงครึ่งเฉพาะนั่งเฉยๆนะนั่งสมาธิเนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่นะวันละสิบชั่วโมงครึ่ง แล้วเรื่องของทาเรื่องของศีแล้วก็ต้องทำด้วยให้มันหนาแน่นขึ้นเวลานั่งสมาธิแล้วก็ไปพักกับเรื่องของกุศลนะหรือแม้แต่ถ้าเจริญวิปัสสนาถ้าไม่มีที่พักเลยเนี่ยก็อยู่ไม่ได้วิปัสสนาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าการใกล้ควรวิปัสสนาใกล้ควรปรมาถ ธ, ธรรมเนี่ย มันจะเป็นร่างกายจะล้ามากเหนื่อยมากเพราะต้องใช้ปัญญาใช่สังเกตเวลาโยมที่บริหารหรือวางแผนสิ่งใดเนี่ยเราจะใช้ปัญญามากพอใช้ปัญญานั้นมันก็จะเหนื่อยก็จะลา้าวิปัสสนาปัญญาก็เช่นเดียวกันเวลาเราพิจารณาค่้ควรก็จะเหนื่อยก็จะลา้าดังนั้นต้องมีเวลาที่จะพักพักก็อยู่กับสมาธินั่นเองถ้าผู้ไม่เจริญฌานก็อยู่กับอุปจาระ อยู่กับประอุปจาระนี่ยังไม่ถึงขั้นฌานแต่ผู้ให้ได้ฌานเขาก็จะไปพักที่ฌานนะแต่สมาธิที่หนาแ น, น่นเนี่ยจะไม่มีทานไม่มีสินเนี่ยเป็นไปไม่ได้ดังนั้นจึงเป็นการที่เราจะต้องทำอย่างเต็มกําลังน่แหละเพื่อให้ทานกับสินนั้นมันอยู่กับความรู้สึกของเราเลยนะไม่ว่าจะเดินไปไหนทำอะไร โยมจะต้องคิดถึงเรื่องทั้งสองเรื่องนี้ให้ได้ตลอดเวลาไปทำสมาธิจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยนะไม่ใช่เรื่องยากวันทั้งวันของเราจะอยู่กับสมาธิก็ได้นะก็เห็นว่าเรื่องทานนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สำคัญจึงนามาบอกให้ญาติโยมได้นำไปประพฤติปฏิบัติวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลานะก็ ขออวยพรอวยัยให้ญาติโยมสาธิตชนได้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดให้สมความปรารถนาขอให้มีอายุวันนาสุขาภรละปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติทุกธิพยารติการขอให้โยมได้มีที่พึ่งคือพระรัตนตรยัยได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดกาลนานด้วยเทึง